บทที่94้่ณบ่ายของวันที่พายุฝนพัดกระหน่ำราวกับชัฏลมทลายป่าดังกล่าวนี้สองชีวิตที่ล่วงหน้าไปก่อนได้มาถูกปิดขังอับจนอยู่ภายใต้สุสานอันลีลับหมดสิ้นต่อความหวังทั้งมวลนอกจากรอคอยวาระสุดท้ายที่จะมาถึงส่วนอีกสามชีวิตที่ติดตามสาวรอยมาก็ติดฝนอยู่ภายในโพรงไม้เหนือฝั่งห้วย ไม่อาจขยับขยื้อนคืบหน้าอย่างใดต่อไปได้ทั้งสองฝ่ายห่างจากกันเพียงคนละฟากฝั่งของขุนเขาใหญ่ที่ขวางกั้นไว้เท่านั้นฝนทางตะวันออกเฉียงเหนือของลูกเขาสางซาลงบ้างแล้วแต่ทางด้านใต้อันเป็นหุบยังพรมติดต่อกันไปเหมือนจะไม่ยอมหยุดตลอดทั้งวันแต่ละนาทีที่ผ่านไปของการรอคอยเต็มไปได้วยความอึดอัดกระสับกระส่าย และกลับกลุ่มของคนทั้งสามซึ่งไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากปล่อยให้วิตกกังวลและความคิดนานาประการเผาผลาญสมองต่างนิ่งซึมจมอยู่ในห่วงพวังไม่ได้พูดคำใดกันมาเป็นเวลานานา น, นับชั่วโมงฟังเสียงฝนที่ตกลงมากระทบยอดป่าและสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกรลากอยู่ในลำห้วยเบื้องล่างห้วยซึ่งเมื่อก่อนหน้าฝนจะตกใหญ่เป็นแค่เพียงห้วยแห้งผาก ไม่มีวี่แววของน้ำเลยแม้แต่สักหยดบุญคำลอกหนังข้างเสร็จเรียบร้อยจัดการนำเอาลงไปแกว่งล้างน้ำในห้วยแล้วตัดไม้มาขีบไว้เป็นตับเตรียมการย่างจากนั้นเดินก็เดินข้ามานั่งรวมกลุ่มอยู่ภายใต้โพรงไม้เปิดก่องยาเส้นขึ้นมามวลตัวแกสันอยู่เป็นระยะด้วยความเย็นนิ้วมือและริมฝีปากซีดเป็นกรีไปหมด ถ้ามันจะตกไม่หยุดเจลละนายน้ำล้นขึ้นมาครึ่งลำห้วยแล้วแผ่นเชี่ยวกรากยังกันน้ำตกแน่ๆตาพรานเท่าเอ่ยทำลายความเงียบอันยาวนานของหนุ่มสาวทั้งคู่ขึ้นเมื่อ น, นั้นเองดารินวราฤทธิ์จึงตื่นจากภวังทนรอมันไปก่อนแล้วกันพรานใหญ่ตอบเบาๆไม่มีความรู้สึกชนิดใดที่จะปรากฏให้เห็นได้ในสีหน้าอันเย็นชา ายด้านหลวงนั้นพายุซาไปแล้วมีแต่ฝนเท่านั้นมันอาจหยุดในไม่นานข้างน้า น, นี้ก็ไม่แน่นะนายที่เราอยู่นี่เป็นบริเวณหุบมีเขาล้อมรอบทุกด้านเมฆฝนมันลอยมาจากไหนตอนไหนเข้ามาติดเขาอยู่ในหุบนี่แล้วมันก็ช่วยกันเทลงมาเหมือนคว่มปีบบุญคำกลัวว่ามันจะตกติดต่อไปจนถึงค้ำจะมากกว่านะ นั่นกี่โมงแล้วล่ะครับนายหญิงประโยคหลังแกหันไปยื่นหน้าฐานดาริชราชษะสกุลสาวปัดแขนเสื้อขึ้นดูแล้วถอนใจยาวบ่ายสี่โมงครึ่งแล้วล่ะบุญคำเราโดนฝนซัดหนักมาสามชั่วโมงเต็มเต็มแล้วและนี่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเลยวันนี้ฉันว่าเราคงไม่มีโอกาสคืบหน้าต่อไปได้แล้วละ่ะเพรา ะ, ะเดี๋ยวก็มืดและพินทร์วันลุกขึ้นยืนก้าวออกไปพ้นปากโพรง ต้นไม้ใหญ่มองฟ้าความมืดสลัวของแนวภัยที่แวดล้อมอยู่เหมือนจะตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงแล้วหันมาบอกว่าคุณหญิงอยู่กับบุญคำที่นี่สักครู่ได้ไหมครับคุณจะไปไหนล่ะพระพินหล่อนถามโดยเร็วผมจะลองตรวจบริเวณใกล้ๆนี้สักครู่ครับก็จะหาทําเลที่พักของเราในคืนนี้ด้วยถึงยังไงเราก็ต้องขยับขยายจากพงไม้แคบๆนั่น มันไม่เหมาะสําหรับจะพักนอนในคืนนี้เพราะชื้นแฉะแล้วก็แคบมากพวกมดปลวกแล ะ, มะแมลงก็จะรบกวนลืมมติของเราเสีแล้วเหรอระพินที่เราสัญญากันไว้ว่าจะไม่แยกห่างรับสายตาจากกันและกันเลยในภาวะเช่นนี้ผมรับรองครับว่าไปไม่ไกลแล้วก็ไม่เกินสิบนาทีเป็นอย่างสูงโปรดอาห่วงครับคืนช้ากว่านี้มันจะมืดลงทุกทีแล้วเราจะทําอะไรกันไม่ได้เลย ทุกลมหายใจเข้าออกของชั้นยานนี้นะ่มันเต็มไปได้วยความวิตกกงังวลจนสุดที่จะบอกได้อยู่แล้วนะอย่าให้ต้องมากังวลกับอะไรเพิ่มขึ้นอีกเลยในรัศสมีที่ห่างลับตาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในระหว่างเราสามคนแล้วเราควรจะไปด้วยกันไม่ควรแยกเดี่ยวหรอกนะหล่อนพูดพร้อมกับขยับจะลุกขึ้นยืนด้วยแต่บุญคำจับแขนนายหญิงไวแต่พิณยิ้มให้อย่างปลอบใจกล่าวต่อมาว่า ชื่อผมสักครั้งเถอะครับคุณหญิงผมไม่ต้องการให้คุณหญิงออกมาเปียกฝนแล้วก็เดินลำบากกับผมด้วยเดินไม่จาเป็นพักรออยู่ในนั้นกบุญคาก่อนดีกว่าครับความห่วงกังวลผมนะ่ะยอมรับว่าเรามีอยู่ด้วยกันทุกคนในขณะนี้แต่ถ้าคุณหญิงมากับผมก็จะทำให้ผมกังวลเพิ่มขึ้นแล้วก็เลยทำอะไรไม่สะดุกไม่ต้องห่วงร้านใหญ่หรอกครับนายหญิงบุญคาช่วยห้ามมาอีกคนหนึ่ง แกไปก็เดี๋ยวแกก็กลับมานายหญิงอยู่กระบุนคันในนี่น่ะปลอดภัยกว่าครับดารินลังเลอยู่อึดใจก็พยักหน้า ย, ยินยอมโดยดีหลอนรู้นิสัยจอมพรานดีอยู่แล้วเขามักจะมีสัญชาตญาณอะไรที่ลึกลับและยากจะเข้าใจได้อยู่เสมอในการเคลื่อนไหวทุกชนิดแต่หล่อนก็รู้ว่ามันมีความหมายไปในทางดีเสมอเขามักจะไม่บอกตามตรงว่าเขาจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหน อุปบับก็ปละหายเข้าป่าไปแล้วอยู่ๆก็โผล่กลับมาอีกครั้งพร้อมทางโชคดีหล่อนรู้ว่าเขารักษาความปลอดภัยแกตนเองได้ทุกลักษณะและทุกสภาพทว่าก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้อย่าไปให้นานเกินกว่าสิบนาทีที่บอกนะระพินหล่อนรองยํา ม, มาระพินะงกหัวแทนคำตอบเวยไดไรเฟิลคู่มือหนีบซอกแขนเอาปากกระบอกทิ่มงลงหลบฝน แล้วออกเดินดุมดุ ม, ดมตรงไปยังแนวลำห้วยเบื้องล่างที่บุญคำเอาข้างไปล้างน้ำเมื่อครู่นี้ชั่วไม่ถึงอึดใจร่างเกรง็งแกร่งทรหดอดทนราวกะเหล็กเพชรนั้นก็หายลับไปจากสายตาที่เฝ้ามองจับของหญิงสาวท่ามกลางแมกไม้พุ่มพงที่เป็นฉากบังตาอยู่ทั่วไปไม่เกินสิบนาทีตรงตามที่รับปากไว้ พรานใหญ่ก็โปรโก ร, ร้มฝนกลับเข้ามาขณะนั้นเม็ดฝนเริ่มเบาบางลงมากแล้วดารินสังเกตเห็นแวว ต, ตื่นในดวงตาคู่นั้นได้เป็นครั้งแรกพอมาถึงสลับน้ำออกจากตัวส่งไรเฟิลให้บุญคำและสชุดกายลงนั่งตรงหน้าไม่กล่าวคำใดในขณนะนั้นทั้งสิ้นแต่แ บ, บมือข้างที่กำอยู่ออกไปตรงหน้าของหญิงสาวดารินมองเห็นก็ร้องออกมา ปลอกกสุลูกซองสิ่งที่อยู่ในฝ่ามือแบกของจอมพรานคือปลอกกระสุนลูกซองขนาดสิบสองยี่ห้อเรมิงตันซึ่งทําด้วยพลาสติกเป็นปลอกกระสุนไม่เอี่ยมเปียกน้ํามีรอยยิงเมื่อไม่นานมานี้นักบุญคำจะโงกหน้าเข้ามาเห็นก็อุทานลั่นอีกคนนึงไอ้เยินแน่ไม่ก็ไอ้จัน์มีพวกเราอยู่สองคนเท่านั้นแหละที่ใช้ปืนลูกซองนาย ดาริงช่วยไปพลิกดูโดยเร็วอย่างตื่นเต้นและจ้องหน้าเขาถามเร็วประหือต่อมาว่าคุณได้มาจากไหนนี่มันลอยตามน้ํามาในลำห้วยนั่นครับแล้วมาติดอยู่ในซอกรากไม้ริมฝั่งผมเห็นเข้าโดยบังเอิญขณะที่เดินตรวจเลาะชายฝั่งขึ้นไปหมายความว่ายังไงนี่น้ําเสียงของหล่อนร้าวร้อนมีความปิติยินดีและกระวนกระวายใจปะบนอยู่ด้วยจนจําแนกไม่ออก เราได้วีแววของพวกเราบางคนเพิ่มเติมขึ้นแล้วล่ะนอกเหนือจากคุณชัยันและเมที่เราพบกันมาก่อนคุณหญิงจำได้ไม่ใช่หรอครับคณะของเรามีคนใช้ปืนลูกซองอยู่สองคนแน่นอนสิฉันจำได้ยั น, นใช้บราวนิ่งกึง่งอัตโนมัติส่วนขยินใช้ไรมิงตันปั๊มแอคชั่นถ้าเช่นนั้นก็แปลว่ารพินก้มหัวลงใช่แล้วครับไม่คนใดก็คนหนึ่ง เป็นคนยิงกระสุนลูกซองปลอกนี้เมื่อไม่นานมานี้เองอาจไม่เกินสองวันเป็นอย่างมากบอกกระสุนตกอยู่ในลําห้วยหรือริมฝั่งตอนที่เหนือขึ้นไปพอฝนตกน้ําไหลลงมาก็เลยพัดพาเอาปลอกกระสุนนี่ลงมาด้วยผมคิดว่าตําแหน่งที่ปลอกกระสุนตกครั้งแรกมันไม่น่าจะห่างจากนี่ขึ้นไปเท่าไรนักนะครับข่าวหน้าของดารินสดใสขึ้นในทันทีนั้นตาเป็นประกายคุณแพระช่วย ถ้งั้นเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะสิมันพิสูจน์ให้เห็นชัดทีเดียวครับว่าขยินหรือไม่ก็จันทร์ยังมีชีวิตอยู่นับตั้งแต่วันมหาวินาศที่พวกเราหนีขลุงช้างเข้าไปในถ้ำอันเป็นต้นเหตุให้พฟร์พลาดจากกันนั่นเขามีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงเวลาที่ยิงกระสุนลูกซองนัดนี้เมื่อเร็วๆนี้ส่วนหลังจากนั้นเราก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้เหมือนกันแต่ก็อยากจะเชื่อว่า เขาควรจะอยู่ได้ต่อไปถ้าลงรอดความตายในครั้งนั้นมาได้แล้วเช่นนี้ฉันดีใจเหลือเกินระพินที่รู้ว่าพวกเราอย่างน้อยก็อีกคนหนึ่งยังรอดอยู่ได้แต่อยากรู้ว่าเป็นใครแน่ขยิณหรือจันคุณพอมีทางจะสันนิษฐานได้ไหมจากรอยเข็มแทงชนวนที่ปรากฏอยู่กับปลอกกระสุนนัดนี้ว่ามันยิงจากปืนกระบอกไหนกันแน่บาลนิ่งออโต้หรือเรมิงตันปัม๊ม หล่อนพูดเร็วหรือเป็นรถไฟด่วนเกือบจะลืมเรื่องอื่นใดียหมดสิน้นพลิกปอกกระสุนพิจารณาไปมาในมือและมองหน้าเหมือนจะขอความเห็นอีกครั้งแต่ละพินสั่นหัวไม่มีทางจะรู้ได้หรอกครับรอยของเข็มแทงชนวนดูด้วยสายตาเปล่าๆไม่ว่าจะยิงจากปืนกระบอกไหนชนิดใดมันก็เหมือนอนกันทั้งนั้นแหละแต่ผมมีสิ่งที่คุณหญิงควรตื่นเต้ น, ตนยินดีมากกว่านั้นนะครับ อะไรแทนคำตอบเขาก็แบมือที่กาไว้อีกข้างให้หลอนดูพอมองเห็นได้ทันักนักเผชิภัยสาวเลือดราชาสกุลก็ตะครุบไปจากมือเขาโดยเร็วใบหน้าแดงก่าขึ้นด้วยความตื่นเต้นปรีดาเหลือที่จะกล่าวาก้นซิก้าหาวันนาของพี่ใหญ่สวรรค์โกเทมันเป็นของพี่ใหญ่ไม่มีใครในคณะของเราสูบซิ ก, กานอกจากพี่ใหญ่คนเดียวเท่านั้น คุณชายเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ทิ้งหลักฐานให้เราเห็นได้ว่ายังมีชีวิตอยู่คุณพบที่ไหนนี่ระพินความตื่นเต้นยินดีต่อกระแสะข่าวร่องรอยของพี่ชายแทบจะทำให้ดารินโผลเข้ากอดพรานใหญ่อย่างลืมตัวร้องถามลั่นพร้อมกับเขย่าแขนเขาโดยแรงออกรอยติดอยู่ในซอกรากไม้ริมห้วยพบพร้อมๆกับปลอกกระสุนลูกซองปลอกนี้ละครับจากหลักฐานทั้งสองสิ่งนี้ ทำให้เราอ่านได้ว่าคุณชายไม่ได้มีชีวิตรอดอยู่เพียงคนเดียวหรือว่าบุก ป, ป่าอยู่ตามลำพงังหากแต่มีพวกของเราอีกคนนึงร่วมเหตุการณ์ใกล้ชิดอยู่ด้วยคนคนนั้นถ้าไม่ใช่ขยินก็จันนะครับดารินยิ้มออกมาทั้งน้ำตายกมือขึ้นจบพนมเหนือสีสะ พ, พึมพำออกมาสันเครือฟังไม่ได้สักขอพระคุณเจคุณพระคุณจ้า ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ได้รับข่าวดีชนิดนี้ลูกไปนุกเลยว่าเขาจะมีชีวิตรอดพ้นมาได้ขอให้ลูกได้พบเขาและพวกเราที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่เสโดยเร็วเถิดสาธุนายตาดีเหลือเกินบุญคำเอ่ยขึ้นแกเองก็ลิงโลดดีใจไม่น้อยไปกว่านายหญิงเหมือนกันที่มองลงไปเห็นปลอกกระสุนกับก้นบุหรี่ของนายใหญ่เขา้า บุญคำนะ่ะเอาข้างลงไปล้างมาตะกี้ยังมองไม่เห็นเลยนี่ทนายไม่บังเอิญเดินลงไปตรวจตรงห้วยนั่นก็คงไม่รู้เรื่องกันชันเดินย้อนขึ้นไปทางฝั่งบนโนน่ะมันเหนือบริเวณที่บุญคำเอาข้างลงไปล้างสักสี่สิบเก้าบอกระสุนน่ะมันสีสะดุดตาทําให้สังเกตเห็นได้ชัดถ้าลําพังก้นซิก้าก็คงมองไม่เห็นเหมือนกันแล้วก็โชคดีที่มันลอยมาติดโพรงรากไม้หมุนบนอยู่ตรงนั้นไหลต่อไม่ได้ ถ้ามันเลยผ่านไปตามสายน้ำเชี่ยวก็จะไม่พกเหมือนกันถือว่าฝนตกใหญ่วันนี้นับว่าเป็นโชคดีของเราทำให้ได้ร่องรอยขึ้นโดยไม่นึกฝันได้วีแววของพี่ใหญ่อย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปล่ะรพินดารินถามอย่างกระตือร้ น, รนจอมพรานยิ้มออกมาเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มแห่งความหวังอันแจ่มใสครั้งแรกร้อยฝนหยุดสัก่อน สิ่งแรกที่เราจะทำในทันทีที่มีโอกาสออกเดินทางได้ก็คือเดินตามชายฝั่งลําห้วยนี้สวนขึ้นไปทางเหนือผมแน่ใจว่าจะต้องพบร่องรอยอะไรของคุณชายเพิ่มเติมขึ้นแน่ๆอย่างน้อยที่สุดเราต้องพยายามค้นหาตำแหน่งแรกที่ปลอกกระสุนลูกซองและสิก้าก้อนนี้ถูกทิ้งไว้ก่อนที่มันจะถูกน้ําพัดพาลงมาและนั่นหมายถึงรอยที่เราจะตามได้ในอันดับต่อไป ฉันอยากให้ฝนตกฝนหยุดตกเดี๋ยวนี้เหลือเกินนะเราจะได้ออกเดินทางกันทันทีใจเย็นๆไปครับนายหญิงบุญคําระงับความเร่าร้อนกระสับกระส่ายของหล่อนมาลุงแบบนี้แล้วบุญคํากล้าเอาหัวเป็นประกันว่าเราจะต้องตามนายใหญ่พบแน่ช้าหรือเร็วเท่านั้นดีไม่ดีอาจจะอยู่ห่างกันแค่โค้งห้วยนี่ก็ได้ครับคาพูดของตาพรานเท่า ทำให้แสงชนิดหนึ่งสว่างวาวขึ้นในดวงตาของหญิงสาวหันขวับไปทางระพินเป็นไปได้ไหมระพินสมมติว่าพี่ใหญ่อาจติดฝนอยู่ที่ใดที่ห น, นึ่งเหนือลําห้วยนี้ขึ้นไปโดยห่างจากเราในขณะ น, นี้ไม่มากนักไม่แม่นะอาจจะห่างกันแค่จมูกกระปากโดยมีป่าบังไว้แค่นี้เองระพินยกมือขึ้นลูปทางป่ามองออกไปยังแนวป่าชุ่มฝน เหมือนจะเลงยานอะไรสักอย่างนึงแล้วขอก้นสิก้าจากหญิงสาวไปพิจารณาดูอีกครั้งดารินรีบกล่าวต่อมาโดยเร็วอีกว่าดูให้ดีเถอะจันรู้สึกว่ามันจะใหม่หรือเกินนะคล้ายๆกับพี่ใหญ่จะโยนมันทิ้งเมื่อไม่เกินสองสามชั่วโมงมันเองลักษณะของมันไม่ได้อมนามชุ่มนักแล้วก็ไม่ได้เปื่อยยุ่ยไปเลยถ้ามันอยู่ในระยะเวลาที่ฉันกะนี่ก็แปลว่าเรากับพี่ใหญ่ อยู่ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่เลยนะกล่าวพลางหล่อนก็ส่งปลอกกระสุนปืนลูกซองไปให้เขาเปรียบเทียบค้นหาเวลาอีกครั้งมันอาจเป็นไปอย่างที่คุณหญิงกะหรืออาจเนิ่นนานเกินไปกว่านั้นก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นแผวต่ําอย่างรอบคอบระมัดระวงรังตาลีลงการที่จะสังเกตจากก้นสิ ก, ก้าว่ายังไม่เปียกน้าชุ่ม และยังไม่เปื่อยยุ่ยทั้งๆ ท, ที่ลอยน้ํามาในลําห้วยน่นยังไม่เป็นข้อสันนิษฐานให้เรารู้ถึงการเวลาที่คุณชายทิ้งไว้ได้แน่นอนหรอกเรารู้อยู่แล้วว่าแต่เดิมลําห้วยมันแห้งแรงป่าทั้งป่าหาน้ําไม่ได้เลยฝนเพิ่งจะมาตกหนักเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วคุณชายอาจทิ้งก้นซิก้าก้นนี้ไว้ก่อนหน้านั้นนานก็ได้พอฝนตกและชะมันให้ลอยมาตามสายน้ํา ในลำห้วยมันจึงเพิ่มมาถูกน้ำเอาในระยะเพียงไม่กี่ชั่วโมงนี่ถ้าลำห้วยนี้มีน้ำไหลอยู่ก่อนแล้วตลอดเวลาและเรามาพบก้นซิก้าในสภาพเช่นนี้ก็จะพอคาดคะเนเวลาได้อย่างที่คุณหญิงว่าไว้เพราะทันทีที่ทิ้งลงน้ำมันก็ลอยตามน้ำมาทำให้กะเวลาได้ถูกแต่ยังไงก็ตามผมกะเผื่อไว้ว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกินสองวันที่ผ่านมาแล้ว พิสูจน์กันง่ายๆก็แล้วกันเดี๋ยวรอให้ฝนเบากว่านี้อีกสักนิดหนึง่งลองยิงปืนขึ้นฟ้าดูถ้าคุณชายอยู่ในรัศมีใกล้เคียงได้ยินเสียงปืนก็คงยิงตอบมาแน่นั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดฉันกําลังจะถามคุณอยู่แล้วว่าทําไมเราถึงไม่ลองยิงปืนเรียกดูแล้ว น, นี่เราจะเอาอยัางไงกันแ น, น่ขณะนี้เรากําลังสาวรอยช ย, ยันกัมเมแต่แล้วเราก็ได้ระแคะระคายของพี่ใหญ่ซ้อนขึ้นมาอีกด้านหนึ่ง โดยไม่คาดฝันอย่างเนี่ยประโยคหลังหลอนอย่างเสียงฝนหนักทำให้ร่องรอยของคุณชัยยันกเมศูนหายไปหมดละผมตัดสินใจว่าเราควรจะพักทางสองคนนี่ไว้ก่อนแล้วเดินสวนลำห้วยขึ้นไปดีกว่าและถ้าจะคิดในด้านดีผมอยากจะเชื่อซะด้วยซ้ำว่าป่านนี้คุณชายกับฝ่ายของคุณชัยยันอาจพบกันแล้วก็ได้เพราะคุณชัยยันกเมก็ล่วงหน้ามาก่อนเราทางทิศนี้เหมือนกัน จริงด้วยบุญคำสอดเพล่งขึ้นมาอีกคนเหมือนจ ะ, ะเฉลียวคิดขึ้นมาได้นายใหญ่กับนายทหารหน่าจะพบกันแล้วหละกมังโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็นับว่าโชคดีที่สุดช่วยกันภาวนาให้เป็นจริงอย่างนั้นเถอดดารินกล่าวอย่างจิตใจพวักพวลนทั้งยินดีในข่าวใหม่ทั้งวิตกร้อนใจตะบนสุมอยู่ในสวงทาให้กระสับกระส่ายไปหมด ฝนขาดเม็ดเมื่อเวลา17นาฬิกาเสร็จเหลือแต่หยาดน้ำที่ค้างอยู่ตามใบไม้พรมเปาะไปลงมายังพื้นทั่วไปป่ามืดลงเต็มที่เสแล้วแทบจะมองอะไรไม่เห็นในระยะที่ห่างเกินกว่า20เมตรทั้งสเก้าออกจากโพรงไม้ที่หลบฝนชั่วคราวเพื่อแสวงหาทําเลแรมคืนที่เหมาะกว่าเก่ขาขณะนั้นดารินวราฤทธ์ก็เงยปากกระบอกไรเฟิลขึ้นฟ้า กระดิกนิ้วลั่นกระสุนออกไปมันดังกึกก้องสนันวันไหวไปทั้งพงพนาสะท้อนไปยังขอบเขาที่ล้อมอยู่รอบด้านแล้วต่างก็ยืนนิ่งสะกดกั้นลมหายใจรอคอยสรรพสัมเนียงใดๆที่จะแววตอบมาอึดใจใหญ่ๆของการรอคอยจับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและนึกภาวนาคอยมีเสียงปืนดังตอบมาสิ่งที่ได้รับ ก็คือความเงียบส ง, งัดคงได้ยินเสียงน้ำในลําห้วยเบื้องล่างไหลเชี่ยวแกรบเซาะตะลิงอู้อยู่เสียงเดียวเท่านั้นคนยิงหน้าสลดลงถอนใจเฮือกระชากปอกกระสุนออกทิ้งแล้วตบลูกเลื่อนยัดนัดใหม่เข้า ร, างรงังเพลิงไม่ยิงซ้ำแต่เวียงขึ้นสะพายไหลานายใหญ่อยู่ไกลเกินเสียงปืนนะครับ บุญคำพึมพรพมปลอบใจในายหญิงของแกกระพินไม่พูดอะไรนำเดินขึ้นปลวกสูงลูกหนึ่งไปเหมือนจะกําหนดหมายตาอยู่ก่อนแล้วครูดเดียวก็ถึงเพิงหินใหญ่ใต้เงาเสลียงแม้พื้นจะเป็นบริเวณหินดานที่ครุขระก็ยังดีกว่าพื้นดินแปะแฉะเปียกชุ่มน้ำอันเป็นสภาพของพื้นป่าทั่วไปในขณะนี้ภายหลังจากช่วยกันถางต้นไม้เล็ก แล้วกวาดกองใบไม้แห้งเปียกน้ำออกไปพื้นตรงนั้นก็เรียบเตียนพอที่จะอาศัยพักนอนได้ด้วยลมหายใจที่ปลอดโปร่งขึ้นบ้างการมีบุญคำร่วมทางเพิ่มขึ้นมาอีกคนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างลุล่วงไปด้วยความสะดวกง่ายดายรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยนายจ้างสาวแทบจะไม่ต้องช่วยอะไรเลยระหว่างที่พรานใหญ่จัดเตรียมบริเวณที่พักนอนพรานเท่าลูกมือของเขา ก็ดำเนินการก่อไฟสายฝนขึ้นและด้วยศิละปะชาวไพรอันชำนาญของแกขอนไม้ขนาดใหญ่ถูกนำมากา่เรียงกันไว้ยกระดับเหนือพื้นอันเปียกชุ่มขึ้นมาแล้วไม้สดชนิดที่มียางไวไฟเหมาะแกการติดเชื้อก็ถูกนำมาก่อไฟซ้อนอยู่บนไฟยกรานนั้นไม่นานนักรัศมีอันอบอุ่นของมันก็กระจายไปทั่วช่วยย่างเลมพื้นที่อาศัยนอน ให้หมาดแห้งขึ้นดูวเนื้อจากข้างย่างเพียงหนึ่งตัวประทังตายให้แกสามชีวิตแล้วบุหรี่ใบตองแห้งของบุญคําก็เป็นเพื่อนได้อย่างดีที่สุดแม้ว่ารสชาติมันจะหยาบช้าฉุนเฉียวซักเพียงใดในที่สุดวันนี้เราก็เสียเวลาไปเปล่าๆครึ่งวันดารินเปรยอย่างกลัดกลุ่มภายหลังจากเอาน้ํามันกันแมลงทาฉลมตัว แล้วรื้อเสื้อกันหนาวจากย่ามหลังออกมาสวมรูปซิพรุ่งนี้ยังมีเวลาถมเทไปนายหญิงบุญคำว่ากรีดนิ้วบรรจงมวนใบตองกับยาฉุนอย่างประนีตป่าก็เขียวใบกระท่อมอยู่ยับยับดูกแกไม่อนาทรร้อนใจอะไรเลยและผ่อนอารมณ์มีความสุขได้ทุกสถานที่ในปา่าตามธรรมชาติของคนดุพรุ่งนี้เราจะตามทันพี่ใหญ่ไหมนี่ หล่อนอดไม่ได้ที่จะวิตกวิจารณ์ถึงไม่ทําก็จะต้องได้ร่องรอยอะไรเพิ่มขึ้นแหะครับคุณหญิงประพินตอบแล้วหันมายิ้มให้นิดนึงกล่าว ต, ต่อมาอย่างให้กําลังใจว่าคุณหญิงไม่ควรร้อนใจให้มากนักนะครับเริ่มต้นทีเดียวเราคลํากันอยู่ในความมืดมองไม่เห็นแสงแห่งความหวังใดๆแม้แต่ชีวิตก็แทบจะเอาไม่รอดภายใต้ลาตําธารใต้แผ่นดินนั้น ต่อมาเราก็พบความหวังขึ้นทีละน้อยเราพบบุญคำเราพบร่องรอยของคุณชายันกเมและเดี๋ยวนี้เราก็รักแค่รักใครยคุณชายเชษฐาเพิ่มขึ้นมาอีกเรียกว่านับว่าเวลาแห่งการพยายามค้นหาของเราเราก็ได้ข่าวดีขึ้นมาเป็นลำดับเกือบจะทุกระยะของการเคลื่อนไหวแต่ละวันทีเดียวสำหรับผมพอใจที่สุดแล้วครับเชื่อมือพรานใหญ่เธอนายหญิง เรื่องการตามรอยในป่าแล้วไม่มีอะไรจะพ้นมือพรานใหญ่ไปได้หรอกขอเพียงอย่างเดียวอย่าให้พวกเราคนใดคนหนึ่งตายซะก่อนเท่านั้นพรานใหญ่เป็นต้องตามพบจนหมดนั่นแหละนักระษาอะไรกับคนสัตว์ป่าแท้ๆไม่ว่ามันจะเป็นเสือช้างแรดกระพิงพรานใหญ่ยังตามจนได้ตัวทุกรายไปหรือไม่ต้องให้ถึงมือพรานกระพินรอ แค่พรานบุญคำก็ยังไหวนายหญิงไม่ต้องกลัวราชาสกุลสาวยิ้มจืดๆทำไมฉันถึงไม่เชื่อมือ น, นายรพินคนนี้ละ่ะหล่อนพูดอ่อยๆกับบุญคำและเขาเองก็ย่อมรู้ดีว่าฉันนับถือฝีมือเขาเพียงไหนแต่ฉันก็อดที่จะร้อนใจไม่ได้นับตั้งแต่เกิดอุปถัมเหตุพรัดพรากจากกันทั้งคณะมาหมันเป็นเวลาเกือบอาทิตย์ก็ไปแล้วนะ เรามาคิดดูสิว่าพวกเราต้องผจญกับเหตุร้ายเพียงไหนแล้วคนอื่นๆละ่ะก็จะไม่เจออย่างเราบ้างเชียวหรอือยิ่งคิดก็ยิ่งห่วงถ้าพวกมันไม่ตายเพราะตกเหยวในถ้ำหรือถูกโขลงช้างเหยียบในคราวนั้นก็ไม่ต้องห่วงรอกมันเอาตัวรอดได้ทุกคนเป็นห่วงอยู่แค่สามคนของเจ้านายเท่านั้นคือนายใหญ่หนายทหารแล้วก็นายแม่แต่นี่เราก็รู้แน่แล้ว ว่านายทั้งสามคนนั่นยังอยู่สองคนไปด้วยกันอีกคนนึงก็มีขยินหรือไม่ก็จันเป็นเพื่อนอยู่ด้วยสบายใจได้ระพินคุณลองทายซิคนที่อยู่กับพี่ใหญ่เป็นขยินหรือจันผมทายไม่ถูกหรอครับจนกว่าจะได้ร่องรอยอะไรมากกว่านี้คุณหญิงกังวลอะไรหรือในข้อเนี้หญิงสาวเอามือแตะขมับนั่งมือมองกองไฟอย่างใจลอย ถ้าเป็นจันฉันก็โล่งใจไปเปล่าหนึ่งเพราะพูดกันรู้เรื่องแต่ถ้าเป็นขยินพี่ใหญ่พูดกะเหลียงไม่ได้เท่าเท่ากับที่เจ้านั่นพูดไทยไม่เป็นสักคำที่นี่ก็ไม่รู้จะส่งภาษากันยังไงจอมพรานหัวเราะเบาๆไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกครับคุณหญิงถึงแม้ว่าคุณชายเชิฐาจะหลงไปขยินเพียงสองคนและแม้จะพูดภาษากันไม่รู้เรื่องแต่ก็จะต้องรู้เรื่องเข้าใจกันได้ดีที่สุดในภาษาของ เพื่อนตายมิตรแท้และสำหรับเจ้าขยินเนี่ยผมออกไปรับประกันได้เลยถ้ามันร้ายมันร้ายยิ่งกว่าเสือแต่ถ้ามันรักซื่อสัตย์ต่อใครแล้วก็จะไม่มีวันทรยศหักหลังมันจะไม่ทอดทิ้งคุณชายเป็นอันขาดและในภาวะจำเป็นเช่นนี้ถึงพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ก็ต้องเข้าใจกันได้ดีที่สุดถ้าคุณชายหลงป่าอยู่คนเดียวก็เป็นเรื่องที่ผมจะต้องห่วงมากทีเดียว แต่นี่เมื่อรู้ว่าอยู่กับไอ้กระเหลียงลมช้างหรือมิฉะนั้นก็จันทร์คนของผมผมก็เบาใจเป็นที่สุดและเชื่อว่าไม่เพียงแต่เราเท่านั้นที่เป็นฝ่ายติดตามค้นหาทางด้านคุณชายก็จะต้องค้นหาเราอยู่เหมือนกันและถ้ามีขยินหรือจันทร์เป็นคนนําทางแล้วก็เชื่อเถอะครับเป็นต้องพบแน่ผมกังวลอยู่บ้างก็แต่ทางด้านคุณชายยันกเมเท่านั้นถ้าทั้งสองคนนั่นพบและสมทบกับคุณชายได้แล้วก็ดีไป ถ้าบังเอิญพลัดกันผมยังไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนนะ่ะจะเตลิดเปิดเปลิงไปทางไหนเมย์นะชำนาญในทางเดินป่าก็จริงแต่ในด้านแกะรอยแล้วสูบฝกพรานพื้นเมืองของผมไม่ได้หรอกหล่อนคิดตามที่เขาพูดแล้วก็เบาใจขึ้นแล้วอีกสามคนนะล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้างเกิดเสยแล้วก็เจ้าตองสู่สางตาของเมย บารินเป็นห่วงถึงหมดทุกคนตามนิสัยของหล่อนการเวลาเท่านั้นแหละครับที่จะให้คำตอบกับเราได้แต่พู้ก็พูดเถอะผมมีสังหรณ์อะไรอยู่อย่างหนึง่งเป็นสังหรณ์ที่ดีนะครับสังหรณ์ดียังไงคือผมอยากจะคิดว่าไม่เพียงแต่ขยินรืจันคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่ร่วมอยู่กับคุณชายในขณะนี้ แต่มันน่าจะเป็นพวกเราที่ขาดหายไปทั้งหมดนั่นแหละอยู่พร้อมหน้าครบชุดร่วมกับคุณชายทีเดียวทั้งขยินจันทร์เสยเกิดแล้วก็สังตาทั้งหกคนชุดนั้นอาจพลัดร่วมูไปด้วยกันตั้งแต่แรกทีเดียวและเป็นพวกที่กําลังบุกบันติดตามหาเราอยู่คุณชื่อเช่นนั้นหรอหญิงสาวมองหน้าเขาอย่างพินิษ ผมบอกแล้วไงครับว่าเป็นแต่เพียงสังหรณ์เท่านั้นภายหลังจากเม้มปากนิ่งเหมือนจะคิดอะไรอยู่เป็นครู่ประกายชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นในแววตาของหม่อมราชวงศ์หญิงไม่แน่เหมือนกันนะฉันเองก็ชัดจะมองเห็นอะไรขึ้นมารางราง g ละมีเหตุผลชนิดหนึ่งที่ทำให้ฉันอยากจะเชื่อว่าสังหรณ์หรือสันนิษฐานของคุณน่าจะใกล้เคียงเหตุผลอะไรห่ะครับ ท่านใหญ่เป็นฝ่ายถามบ้างดาริงหยิบก้นซิก้าที่เหลืออยู่ขนาดองค์คุลีและหล่อนยังเก็บขึ้นมาพลิกดูอีกครั้งแล้วชูขึ้นก็ซิก้าก้นนี้สิทำไมครับคุณอาจไม่รู้หรือไม่ทันสังเกตรเหรอกนะแต่ฉันรู้ดีนะพี่ใหญ่มีติดมาด้วยสี่หิบตามปกติแล้วตลอดระยะเวลาที่เราเดินป่ากันมา พี่ใหญ่ไม่เคยเอาซิก้าพวกนี้ขึ้นมาสูบเลยเขาสูบกล้องสลับไปกระ บ, บริธรรมดาและในวันที่เราบรรจุของลงย่ามหลังประจําตัวฉันก็เห็นว่าพี่ใหญ่มีแต่บุหรีก่กระยาเส้นเท่านั้นไม่ได้มีซิก้าใส่เป้หลังไปด้วยเขามีสำรองไว้สําหรับเวลาบุริกระยาเส้นหมดจริงๆ จ, ง จ, งจึงจะเอาขึ้นมาสูบและซิก้าเหล่านี้ก็บรรจุอยู่ในหีบคอสัมภระส่วนกลางที่พวกลูกหาดแบก ระพินตาตื่นขึ้นทันทีนั้น mm hmm. เงยหน้าขึ้นมองผู้พูดซักมาโดยเร็วอย่างสนใจว่าแล้วยังไงต่อไปล่ะครับข้อสันนิษฐานของคุณหญิงคุณก็ลองคิดดูสิเดี๋ยวนี้พี่ใหญ่สูบซิก้าทิ้งก้นลอยน้ำมาให้เราเห็นนี่มันก็ต้องแปลว่าเขาค้นออกมาจากหีบห่อสัมภาระส่วนกลางของเราและในเมื่อหีบห่อสัมภาระของเรายัางอยู่ mm hmm. ก็น่าจะแปลว่าพวกลูกหาบต้องอยู่ร่วมกับเขาด้วยมิฉนั้น เขาจะเอาซิก้ามาได้จากไหนลําพังแตกแยกไปเดียวหรือเพียงแค่มีใครคนหนึ่งเป็นเพื่อนเขาอยู่ด้วยคนเดียวอย่างที่เราเข้าใจแต่แรกเขาก็ไม่น่าจะมีห่อสัมภาระนั้นอยู่ด้วยจอมพรานผิวปากวื้เป็นเหตุผลที่น่าคิดมากทีเดียวครับคุณหญิงแล้วพอจะจําได้ไหมหอสัมภาระที่บรรจุซิก้าอยู่ด้วยนั้นมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างโอ้ยแทบจะครบหมดทุกอย่าง ของจำเป็นของเราทีเดียวล่ละครับอิบเวชภัณฑ์ของฉันใบไม้ลูกปืนทุกชนิดเสื้อผ้าสำรองมันเป็นห่อสัมภาระที่บรรจุของสำคัญและจำเป็นที่สุดของเราทั้งหมดรบพินตาลุกถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกันภาวนาเถอะครับให้คุณชายอยู่พร้อมหน้ากับพวกเราคนอื่นทุกๆคนซึ่งเรายังไม่ได้ข่าวในขณะนี้รวมทั้งสัมภาระส่วนกลางของเราทั้งหมดด้วยซึ่งนั่น หมายถึงว่ามันจะช่วยให้เรามีพลังขึ้นอีกครั้งอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับลูกปืนกับยารักษาโรคแล้วถ้ามันเป็นได้อย่างนั้นจริงก็เหมือนกับปาฏิหาริ์แหละครับสัญลักษณ์แห่งความหวังลางที่ดีก่อเงาขึ้นแล้วแม้จะเป็นเพียงการคาดคะเนไวา้ก็ช่วยให้เกิดพลังใจอันแช่มชื่นกับปรีกับเราขึ้น ดารินแทบไม่อาจนอนหลับได้ในคืนนี้หล่อนภาวานานึกเร่งแสงตะวันให้ขึ้นซะโดยเร็วเพื่อจะได้ออกเดินทางค้นหาคณะของพิชยัยซึ่งโชยกลิ่นไอมาให้สัมผัสได้หญิงสาวนอนลืมตาพลงมองดูเงาไม้อันมืดทะมึนเหนือสีสะัะนึกบนบานศาลกล่าวต่อเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลขอพิทักษ์คุ้มครองชีวิตของพิชยัยและผู้ร่วมคณะทุกคน อีกทั้งบรรดาชักพาให้ติดตามพบปะกันพร้อมหน้าโดยเร็วตั้งแต่กำเนิดกายมาเป็นแพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์ดารินวราริศผู้ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ในโลกแห่งอรารยธรรมโลกของวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไม่เคยเลยสักครั้งที่คนอย่างหล่อนจะพนมมือให้แก่อะไรนอกจากพระทาะว่านักแต่บุก ป, ป่าฝ่าดงมานีหล่อนเพิ่งจะมาพบตนเองพนมมือไหว้สักการะต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และตกเป็นหนี้การบ่นบานจนนับคร้งไม่ถ่วนเพื่อความหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือความสวัสดีของตนเองและหมู่คณะที่เกี่ยวข้องรับพินกับบุญคํานอนขนาดหล่อนทั้งซ้ายและขวาแล้วก็หลับไปอย่างง่ายดายภายหลังจากเติมเชื้อไฟจนแน่ใจว่ามันจะลุกโชนอยู่ได้หลายชั่วโมงดารินนอนหงายเหยียดยาวประสานมือทั้งสองไว้บนอกพยายามข่มจิต หัดอารมณ์ให้เข้าสุนิทราแต่กระแสความคิดของหลอนเลื่อนลอยไปนานาประการสุดที่จะสะกดหลงได้และก็บอกตอนเองไม่ถูกว่าหลับหรือตื่น หนักหนึ่งในมโนโทวารของหลอนก็บอกกับตนเองว่าแลเห็นเงาดำๆเป็นจำนวนมากมายโผล่ออกมาจากแนวป่าทึบล้อมรอบหมดทุกด้านเงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวอย่างแช่มช้าครั้งแรกมองมันคล้ายกับฝูงลิงปีศาจหรือมิฉนั้นก็เจ้าผีกองก่อยหลอนพยายามจะร้องพยายามจะขยับขยื่นเคลื่อนกาย ต้องการจะปลูกพลานใหญ่กระบุญคําซึ่งหลับเคียงข้างอยู่ในขณะนี้แต่ก็ไม่อาจกระดิกกระเดียเคลื่อนไหวได้เสียงก็ไม่สามารถจะผ่านพ้นลำคอลักษณะเดียวกันกับผีอั่ต่อมาภาพตะคุ่มตะคุ่มเหล่านั้นก็ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นเป็นภาพใบหน้าของผู้คนชายหญิงหน้าตาแปลกๆจ้องดวงตาจับนิ่งมาที่หลอนเป็นดวงตาที่ไม่ได้มุ่งประสงค์ร้าย หากแต่วิงวรนเหมือนจะเรียกร้องความกาลุนช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึง่งเขาวหน้าเหล่านั้นอมทุกข์และรันทดเปรียบไม่ผิดอะไรกับนักโทษที่ต้องจองจําปรัถนาเรียกร้องอิสระภาพปลดปล่อยมืออันนับไม่ถ้วนโบกอยู่ไหวไหวปากปากทุกปากก็ขยับพเพยเฉยเหมือนจะเอ่ยถ้อยคําอย่างใดออกมาแต่หล่อนไม่ได้ยินเสียงแล้วร่างหนึง่ง ก็ก้าวผลออกมาจากกลุ่มอันอเนืองแน่นอยู่นั้นตรงเข้ามาอย่างแช่มช้าเป็นร่างของบุรุษหนุ่มผู้กำยำสูงระงานแต่งกายแบบนักรบมีเกลาะเงินเป็นมันวับสวมอยู่ที่แผงอกกว้างสง่างามพึงภายนักหล่อนจาได้อย่างแม่นยาที่สุดจำได้ว่านั่นคือขุนศึกคู่พระไทยของนางพยาพันธุมวดีผู้ซึ่งได้เคยฝันเห็นเดินเคียงข้าง กับบัวทองของนางกษัตริย์ในขบวนนักรบหนุ่มผู้นั้นก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องปลายเท้าที่หลอนนอนตัวแข็งอยู่ในขณะ น, นี้แววตาคู่นั้นอ่อนโยนคาระวะศีรษะอันเชิดระงานก้มลงใครนะเจ้าเป็นใครหล่อนรู้สึกว่าร้องถามออกไปเช่นนั้นแต่ตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงของตนมันเป็นแต่เพียงกระแสจิตเท่านั้น ข้าแต่นางผู้กล้าหาญและกรอบด้วยเมตตาจิตดารินวราริ์สำเนีจในเสียงตอบจากนักรบหนุ่มผู้นั้นอย่างชัดเจนที่สุดข้าคือขุนพลวรมันแห่งนิทรานครขุนพลวรมันแห่งนิทรานครโอ้อะไรกันนี่จะมาจากไหนและต้องการอะไรจากฉันหล่อนร้อง มันก็แค่อึกอักอยู่ในลำคอเท่านั้นร่างกายทุกส่วนหนักแสนหนักเหมือนมีภูเขาทั้งลูกมาทับไว้ดวงตาที่จับนิ่งม่ยังหล่อนนั้นเยือกเย็นอ่อนเชื่อใบหน้าหมดจดุดคมสันสายไปมาชา้าชาเหมือนจะปลอกให้คลายจากความตื่นตระหนกหวาดระแวงใดๆทั้งหมดข้าไม่ได้เป็นศัตรูหรือมีประสงค์ร้ายต่อท่านรงข้าข้ามาอย่างคารวะ และวิงวอลฉไนท่านจึงตื่นตระหนกวันระแวงต่อผู้ที่มาสู่ท่านอย่างมิตรและประทานนาในความการุณาช่วยเหลือจากท่านเล่าเจ้าต้องการให้ฉันช่วยเหลืออย่างใดรจุดหมายปลายทางของพวกท่านนนิทรานครอันต้องคาําสาบนี้ใกล้เข้ามาแล้วความทุกขเวทานานับแสนปีของเหล่าข่าทั้งหลายกําลังจะยุติสุดสิ้นลง ด้วยน้ำมือและน้ำใจอันกล้าหาญที่สุดของพวกท่านคนใดคนหนึ่งณนะที่ใดที่หนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เราท่านจะได้พบกับกริตเล่มหนึ่งปักตรึงสะกดติดอยู่กับมหาคัมภีร์ทำด้วยหนังมนุษย์จงถอนกริตเล่มนั้นให้หลุดออกจากคัมภีอุบาทเมื่อ น, นั้นมุนมายาและสัพพอาถรนทั้งปวงของนิทราคนคร ที่จมบาปอยู่ชั่วกับก็จะถึงการเสื่อมสลายทุกวิญญาณที่ถูกจองจำจะได้รับการปลดปล่อยโปรดหินแก่สวรรค์ช่วยปลดปล่อยวิญญาณทุกขเวทนาจมนรกหมกไหมเหล่านี้ด้วยเถิดถอนกริตเล่มนั้นออกทำลายรางกริตยามนคำสาบในคำพ์นั้นเสีย ถอนกริดออกถอนกริดเล่มนั้นออกประโยคชนิดนี้อึงอนแซ่ซัอยู่ในโสตของหลอนมันดังมาเหมือนกับคนนับร้อยนับพันร้องแซ่ขึ้นเป็นเสียงเดียวรอบตัวไปหมดภาพของบุรุษนักรบในเกราะเงินจางเลือนออกไปจนกระทั่งกลายเป็นความมืดสนิทลมหายใจของหลอนขัด ประสาททุกส่วนชาดิบไปหมดได้ยินเสียงที่ลั่นย้ำประโยคมาทุกทิศทีกระชั้นอึงออนขึ้นทุกทีมันอัดอันจนกระทั่งหายใจไม่ออกดารินวราริต์มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อร่างกายถูกเขย่าโดยแรง พร้อมกับเสียงตะโกนร้องเรียกชื่อทีๆจำได้ว่ามันเป็นเสียงของพรานใหญ่และบุญคําซึ่งช่วยกันจับตัวเขย่าอยู่ในขณะนี้หล่อนเปิดเปลือกตาขึ้นอย่างมึนงงหายใจหอบแรงและรวบรวมกำลังผุดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วเหลียวไปรอบๆตัวทุกสิ่งทุกอย่างในที่พักเป็นปกติสภาพกองไฟที่ก่อไว้สว่างวอแวมเบื้องหลังออกไปเป็นปามือทมึน ที่มีเสียงน้ำค้างหยาดกระทบใบไม้อยู่ปอะแปดขณะนั้นเข็มนาฬิกาข้อมือชี้บอกเวลาตีสามคุณหญิงเป็นอะไรไปจอมพรานร้องถามขึ้นอีกครั้งสีหน้าของเขาแสดงอาการตื่นระหนกตกใจจับต้นแขนทั้งสองของหล่อนไว้แน่นฉันเอ๊ะทำไมฉันเป็นอะไรไปหรอผมได้ยินเสียงคุณหญิงกรีดร้องแล้วก็ดิ้นอย่างแรงที่สุด ผมกระพุนคำตกใจตื่นเพราะเสียงร้องของคุณหญิงนะครับเขาพูดโดยเร็วจ้องหน้าหลอนขมิงดารินยกมือขึ้นเสยเส้นผมที่ลงมาปรกหน้านิ่งอึง้งไปขณะจิตหนึ่งสายตาอันหวั่นสะทกจ้องไปยังราวป่ากลางราตรีอันดำมืดอีกครั้งแล้วกัเดเต็มฝีปากแน่นหล่อนไม่อยากเชื่อเลยว่าหล่อนฝันไปคุณเรียกฉันอยู่นานไหมผมเพิ่งตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองครับ เห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่ารอบรอบที่พักเรานี่หล่อนถามตะกุกตะกักดูเหมือนเขาจะอ่านสีหน้าอาการของหล่อนได้ถูกไม่มีอะไรผิดปกติครับคุณหญิงนี่เห็นจะฝันร้ายไปแล้วสิดารินนั่งลืมตาโพลงอยู่อีกครู่จึงถอนใจเฮือกใหญ่ถ้างั้นก็ใช่ฉันฝันไปแต่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าฝันร้ายหรือฝันดี ่อนเล่าให้พรานใหญ่กบุญคำฟังโดยละเอียดในสิ่งที่โมโนโคาติมองเห็นรู้สึกเหมือนกันนะว่าฉันจะแก่ฝันมากไปหน่อยฝันได้เป็นตุเป็นตักดารินบอกในตอนท้ายพร้อมกับหัวเราะกล่อยๆความจริงคืนนี้เป็นคืนที่สงบปลอดโปร่งที่สุดไม่มีสัญญาณอันตรายใดๆเข้ามารบกวนเราเลยระพินพูดเบาๆมองกว่าดไปรอบที่พัก ซึ่งเปรียบเหมือนฉากกันมาหยีสีดำมากางกันไว้ทีแรกผมนึกว่าเป็นพวกแมลงมีพิษหรืองูมันแอบเข้ามากัดคุณหญิงแต่เห็นหลับตานอนดิ้นอยู่ก็นึกเหมือนกันว่าคงจะฝันร้ายแต่นายหญิงฝันพิกลอยู่นานนายบุญคำสอดมาต่ําๆอาการของแกตื่นเต้นสนใจอยู่กับสิ่งที่นายหญิงเล่าให้ฟังมันเข้าเรื่องเข้าราวกันได้อย่างน่าคิดทีเดียวละ ฉันเชื่อว่าฉันคงจะนึกคิดสร้างมโนภาพเหตุการณ์ขึ้นมาเองโดยไม่รู้สึกตัวเสมากกว่านะดารินพยายามวิเคราะห์ตนเองฉันเคยได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าของแง่ทรายที่พูดถึงกริตปักคำพีภายใต้แท่นหินที่ร่างของนางพยาเลอโฉมองคหนึง่งบันทมนิ่งอยู่แล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่ากรตและคำภีนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ง เป็นต้นเหตุให้เกิดความมหัศจรรย์หน้าขนลุกนานาประการต่อมาฉันก็เคยปรึกษาหารือกับพรานใหญ่ถามเขาว่าสมมุติว่าเราไปพบกริชและคำพีเล่มนั้นเข้าจริงจะทำยังไงพรานใหญ่ก็บอกว่าเผาทำลายมันซะฉันก็คงจะรับแนวความคิดอันนี้เข้าไว้ภายในจิตใต้สำนึกแล้วก็ผูกเรื่องราวประติดประต่อขึ้นมาเองโดยสร้างให้มีนักรบหนุ่มขึ้นสักคนหนึ่งชื่อวรมันเป็น ชูรักของนางพญาองค์นั้นและได้รับทุกทรมานเป็นต้นว่าถูกสาบให้กลายเป็นอะไรสักอย่างพร้อมทั้งข้าราชบริพารและประชากรแห่งนิทรานครในอดีตแล้วขุนพลบ ว, วรมันก็เข้ามาบอกความกับฉันให้ช่วยค้นหาและถอนกริเเล่มนั้นให้อย่างนี้ใช่ไหมระพินประโยคหลังหล่อนหันไปพูดกับพรานใหญ่เหมือนจะขอความเห็น ขาวหน้าของเขาไม่ได้่อแววชนิดใดให้หลอนอ่านถึงความรู้สึกภายในได้แต่ถามมาเรียบๆว่าทำไมคุณหญิงถึงมีอาการร้องโวยวายและดิน้นรนล่ะครับฉันไม่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะฉันรู้แต่เพียงว่าเสียงของผู้คนที่วิงวอนร่ำร้องซ้ำแซ่ให้ฉันถอดกริบเล่มนั้นออกเป็นเสียงที่สั่งความมานะ่ะมันรุมล้อมรอบตัวบีบหัวใจไปหมด มันทำให้ฉันหายใจไม่ออกและรู้สึกเหมือนกับว่าถูกกดจมลงไปใต้บาดาลที่ไม่มีอากาศจะหายใจฉันอาจร้องและดิ้นรนเพื่อหาทางรอดจากความอึดอัดเหมือนถูกผีอำนั่นเองบุญคำลุกขึ้นไปเติมเชื้อไฟในกองแต่แล้วทันใดนั้นตาพรานเท่าผู้ก้มก้มคลานคานอยู่ริมกองไฟยุ่งอยู่กับการสุนฟืนก็หยุดชงะงักกึกมองจ้องลงไปบนพื้นหินเบื้องหน้า ร้องเรียกมาด้วยเสียงเรา่าร้อนว่านายมาดูอะไรนี่บุญคำว่านายหญิงไม่ได้ฝันไปซะแล้วล่ะทำไมเขาร้องถามพร้อมกับพรวดลุกขึ้นขุนพลของนายหญิงที่ชื่อมันๆอะไรนั่นเขามายืนมายืนกาอยู่ตรงนี้เองระพินเพ่นเพ่นพรวดเดียวข้ามกองไฟตรงเข้าไปยังที่บุญคำคุกเข่าพิจารณาพื้นอยู่ส่วนดารินก็รีบทลันลุกขึ้นแล่นตามเข้ามาติด แล้วปางจ้องตะลึงไปชั่ววิปตาหนึ่งบนพื้นริมกองไฟรอยเท้าของมนุษย์คู่หนึ่งมาหยุดยืนอยู่ที่นั่นสิ่งที่ช่วยให้มองเห็นชัดก็คือรอยเประเปื่อนจากดินโคลนสีแดงอันเป็นสภาพของพื้นเปียกแฉะทั่วไปประทับเด่นชัดอยู่แทบจะทําให้สังเกตเห็นพื้นฝ่าเท้าได้ชัดเจนทุกส่วนสัตว์ รอยนี้เดินย่ำออกมาจากผู้ไม้ด้านซ้ายมือของที่พักแล้วมาหยุดยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรอยเดินผลักย้อนกลับออกไปทางเดิมเป็นไป ไ, ได้แล้วนี่มีรอยเท้าคนเดินเข้ามาในที่พักของเราจริงๆด้านเดียวกับที่ฉันฝันเห็นด้วยในความฝันฉันก็เห็นว่านักรบในเกาะเงินคนนั้นม่หยุดยืนอยู่ตรงนี้แหละดารินร้องออกมาด้วยเสียงสัน่น จอมพรานขมวดคิ้วเหลือตามองดูหน้านายหญิงแวบหนึ่งแล้วบอกให้บุญคำไปเอาไฟฉายมาซุดกายลง่องตรวจรอยเท้าอันเกิดจากรอยเปียกของดินแดงนั้นอย่างพินิษสีหน้าของเขาสงบไม่แสดงอาการตื่นเต้นหรือประสาใจอะไรทั้งสิ้นจากนั้นก็ส่องสำรวจไล่รอยตามลำดับไปจนกระทั่งหายเข้าไปในแนวป่าซึ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ นักรบในเกราะเงินคนนั้นไม่ได้ชื่อวรมันหรอกครับคุณหญิงแต่ชื่อแง่ทายครับหมายความว่ายังไงก็นี่มันรอยเท้าของแง่ทายนะครับชัดเจนที่สุดผมจํารอยเท้าของมันได้แม่นยําเท่าเท่ากับรอยเท้าของตัวเองทีเดียวระหว่างที่พวกเราทั้งหมดนอนหลับสนิทและเป็นเวลาเดียวกับที่คุณหญิงฝันแง่ทายได้เดินเข้ามายืนหยุดตรงนี้แล้วก็เดินกลับออกไป ทางหลังพุ่มไม้ที่มันโพโล่ออกมานั้นคุณพระช่วยฉันไม่เข้าใจเลยว่าแงซายย่องเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงนี้ทาไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรับผินว่าแล้วก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเดินส่องไฟตามรอยออกไปจนถึงบริเวณพุ่มไม้ทึบที่แวดล้อมที่พักอยู่ดารินกับบุญคาคว้าควยไฉยกรรัไรเฟิลประจำตัวตามเข้ามาด้วย และทั้งสามก็พบกับความประหลาดใจซ้อนขึ้นมาอีกตามพื้นดินเปียกร่วนรอบบริเวณของสุมทุมพุ่มพฤกที่แวดล้อมอยู่นั้นสับสนมากมายไปด้วยรอยตีนรูปสามแฉกของพวกผีกองกอยที่ย่ำไว้กลาดเกลือนราวกับว่ามันยกกันมาเป็นขยงและมามุงอยู่รอบรอบที่พักในรัศมีที่ห่างออกไปเพียงไม่เกิน3าก้าวเป็นรอยใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างสดๆดร้อน คล้ายกับว่าพวกมันพระจากไปเมื่อไม่กี่อึดใจมานี่เองบุญคํากับดารินถึงกับอุทานลั่นออกไปยังตกใจไม่มีปัญหาร่องรอยเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในเวลาคันนาที่ทุกคนหลับสนิทและน่าสันนิษฐานได้ว่าเป็นเวลาเดียวกับความฝันประหลาดของดารินนั่นเองระพินเองก็อดพิศวงไม่ได้ถึงการย่องเข้ามาใกล้ที่พัก ของเจ้าฝูงสัตว์ประหลาดนั้นเป็นการมาอย่างเงียบกริบราวกับเงาของผู้ปีศาจจนเขากระบุญคําซึ่งจัดว่าเป็นคนนอนวัยมีประสาทหูดีที่สุดไม่ทันรู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวพวกมันยกขบวนกันมาเป็นกองทัพทีเดียวและเป็นการมาจริงอย่างแน่นอนมิฉะนั้นจะไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานจากรอยเท้ามากมายเกลื่อนกลัดเหล่านี้ ทิ้งไว้เป็นพยานให้เห็นสำหรั บ, บรอยเท้าของแง่สายนั้นเห็นชัดว่าเดินตัดมาในระหว่างร่องรอยของพวกกองกอยทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่เป็นการมาพร้อมกับเจ้าสัตว์ครึ่งพูดครึ่งเดรัจฉานเหล่านั้นคล้ายจะเป็นจ่าฝูงหัวหน้าของพวกมันพวกกองกอยได้แต่มามุงล้อมรอบอยู่รอบนอกที่พักและแง่สายเพียงคนเดียว ที่เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ริมกองไฟทางด้านปลายเท้าของดาริทั้งรอยมาและรอยผลักไปของสิ่งประหลาดนี้ขึ้นมาและลงไปทางริมฝั่งห้วยด้านล่างบุญคำทําท่าจะสาวรอยห่างที่พักออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ะพินเรียกไวโบกมือเป็นเครื่องหมายให้ถอยกลับที่พักตังหวนกลับมานั่งริมกองไฟตามเดิม ด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกได้แต่นั่งมองหน้ากันเองทำตาปริบๆเอมันก็พิลึกอยู่นะครับคุณหญิงในที่สุดรพินก็ทําลายความเงียบขึ้นด้วยเสียงแหบต่ําสีหน้าพิพักพิพ้วนเกินกว่าที่จะบรรยายได้หลักฐานที่เราค้นพบนี่มันมาคล้องจองกับความฝันของคุณหญิงเขาได้ยังไงโรฮินจะต้องคิด ในข้อนี้เส็แล้วละ่ะอีกประการหนึ่งแง่ทรายกับเจ้าพวกกองกอยยกขโยงกันเข้ามาล้อมรอบที่พักเราแค่นี้เองผมก็บุญคำนอนหลับเป็นตายไม่รู้สึกตัวเลยมาตื่นขึ้นก็เพราะเสียงคุณหญิงร้องข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่เราพบนี่ก็คือแง่ทรายกับพวกกองกอยได้เข้ามาล้อมอยู่รอบที่พักของเราแล้วก็ตัวแง่ทรายเองเดินเข้ามาจนถึงกองไฟนี่ มันตรงกับเหตุการณ์ในความฝันของคุณหญิงทุกอย่างผิดกันไปก็แต่ในฝันนั้นคุณหญิงเห็นเป็นผู้คนมากมายหน้าตาแปลกๆมาล้อมรอบด้วยอาการวิงวอนขอความช่วยเหลือและนักรบหนุ่มในเกราะเงินอ่านชื่อตัวเองว่าวรมันเป็นผู้เข้ามาพูดกับคุณหญิงแทนให้แก่คนเหล่านั้นครั้งแรกที่ฉันแลไปเห็นรอบป่านี่ ฉันก็เห็นในลักษณะเงาตะคุ่มตะคุ่มเป็นเหมือนพวกผีกองกอยเหมือนกันนะแล้วต่อมามันกลายเป็นใบหน้าของผู้คนชายหญิงลักษณะแปลกๆดารินพูดอย่างตื่นเต้นวันไหวไปหมดแล้วขุนพลวรมันก็ก้าวเดินออกมาจากฝูงผู้คนที่ยืนอออยู่เหล่านั้นตรงเข้ามาที่ฉันในลักษณะที่ฉันยังนอนอยู่เช่นนี้แหละฉันไม่สามารถจะวินิจฉัยได้เลยนะว่าทั้งหลายแหล่ที่ฉันมองเห็น ในภาพฝันประกอบกับหลักฐานร่องรอยที่เราพบจริงเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่คุณกับบุญคําก็มองเห็นอยู่ไม่ใช่เหรอว่าขณะที่ปลูกเรียกฉันขึ้นมานั้นฉันนอนหลับตาอยู่ใช่แล้วนายหญิงนอนหลับตาลักษณะของนายหญิงหลับขณะที่ผมกับพรานใหญ่เขย่าปลุกขึ้นบุญคําบอกมาโดยเร็วเพราะฉะนั้นฉันก็ควรจะเห็นภาพทั้งหลายแหล่ที่บอกมานี่ โดยทางมโนคติเห็นด้วยจิตสัมผัสมากกว่าที่จะเห็นด้วยแก้วตาแต่จิตสัมผัสหรือมโนคตินี่ได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับที่แง่ายและฝุงกองก่อยได้เข้ามาที่นี่คล้ายๆกับว่ามีอำนาจชนิดหนึ่งมาสะกดครอบงำให้ฉันมองเห็นไปเช่นนั้นทั้งนั้นบุญคารู้แล้วตาพรานเท่าเงเยขึ้นโดยเร็วมองหน้านายหญิง และพรานใหญ่สลับกันด้วยแววตาตื่นตื่นไอ้พวกกองกอยทั้งหลายเน่ยแท้ที่จริงมันคือดวงวิญญาณของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองนี้สมัยก่อนและเจ้าตัวหัวหน้าที่เข้าสิงแงซายก็คือหัวหน้าใหญ่ที่อาศัยร่างของแงซายเข้ามาสะกดนายหญิงชักนำให้เห็นในสภาพเดิมแท้จริงของมันแล้วก็ขอให้ไปช่วยถอนกริที่ปากตึงคำภีอุบาทนันออก คาพีกับกริคงจะเป็นคำาสา์แช่งอะไรสักอย่างนึงทำให้พวกมันทั้งหลายกลายเป็นสัตว์ประหลาดทนทุกขเวทนาไม่รู้ผุดรู้เกิดอยู่เช่นนี้เข้าใจเดาผูกเรื่องประติดประต่อได้ดีมากนี่รับพินว่าสีหน้าของเขาขรึมและหางเสียงก็แห้งกระด้างฟังไม่ออกว่ายอมเห็นด้วยกับคาพูดของบุญคาหรือว่าเป็นคาประชด ก็อยากจะคิดแต่งเรื่องให้มันประสานคล้องจองกันอย่างเหมาะเหมงอย่างนี้เหมือนกันอไหนลองช่วยกันผูกเรื่องต่อไปสิคำพีที่มีชื่อว่ามายาวินเล่มนั้นทำไมถึงกลายเป็นผลแห่งคําสากอันชั่วร้ายขึ้นใครเป็นคนสคักใครเป็นคนเอากริบไปปักไว้ปุโรหิตมันไรไอ้ผีดิบหัวโลนนั่นไงดารินกล่าวมาอย่างหนักแน่นชัดเจน จอมพรานหันไปพบหน้าจอมพรานหันไปมองหน้าก็พบดวงตาอันสำแดงถึงความรู้สึกแท้จริงโดยไม่มีแววขบขันหรือเห็นเป็นเรื่องเล่นแฝงอยู่เลยเขายิ้มออกมานิดหนึง่งนี่นักวิทยาศาสตร์อย่างคุณหญิงก็แต่งเรื่องนิยายมหัศจรรย์ลี้ลับได้หน้าตื่นเต้นไม่แพ้ตาบุญคำเหมือนกันน ะ, ะทีนี้ลองสร้างพรับปะติดปะต่อเรือใ ห, อห้อีสมมติฐานต่อไปสิครับว่ามันไตรปุโรหิต ทำไมมันถึงจะต้องสา์แช่งไว้อย่างนั้นด้วยอาจจะเกิดจากความเคียดแค้นพิยาบาทอาจจะเกิดจากความปรารถนาที่จะให้สนใจสมัมฤติผลในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกระยะเป็นลําดัดมันทำให้ฉันพอจะคิดสันนิษฐานได้เราๆแรกที่สุดเราพากันมืดมนไปหมดไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพวกกองกอยพยายามจะชักจูงเรามาเพื่ออะไร เรารู้แต่เพียงความหมายเลือนๆว่าพวกมันต้องการให้เราช่วยเหลือและตลอดระยะเวลาแห่งการจำใจมุ่งหน้ามาของเราพวกเราก็ได้รับการขัดขวางสกัดกั้นจากเจ้าผีตายซากมันไรนั่นรวมทั้งบริวารของมันขณะเดียวกันกลุ่มพวกกองกอยก็หาทางช่วยเหลือสนับสนุนเราอย่างแอบแฝงซ่อนเร้นมาทุกระยะมาเดี๋ยวนี้เราพอจะรู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ของฝ่ายหนึ่ง ต้องการจะจูงเราให้ไปช่วยอีกฝ่ายหนึ่งพยายามขัดขวางเป้าหมายมันอยู่ที่คำภีและกริดเล่มนันนั่นเองความดีรับมาหัสจันท์ทั้งหลายมันไปรวมอยู่ที่คำภีหรือคำสาปอาถรรนั่นนั่นคือต้นเหตุของความทลม่มล่มจมของนิทรานครในอดีตกลายสภาพมาเป็นอาณาจักรผีสิงอยู่ในขณะ น, นี้โดยมีปุโรหิตมันไรเป็นเจ้าแห่งผีดิบครอบครอง มีอำนาจอยู่เหนือทุกวิญญาณที่ต้องทันทกรรมแห่งคำสาปของมันวิญญาณที่ถูกทรมานเหล่านั้นดิ้นรนเพื่อแสวงหาอิสรภาพจึงไปชักจูงพวกเรามาให้ช่วยและบัดนี้วิญญาณเหล่านั้นก็บอกชัดออกมาแล้วขอร้องวิงบอนให้เราค้นหาคำภีมายาวินเล่มนั้นและวถอดกริที่ปักสะกดออกพวกเขาจะได้หมดเวรไปผุดไปเกิดสถี พวกผีกองกอยทั้งหลายแท้ที่จริงก็คือเหล่าทหารประชากรแห่งนิทรานครอันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับมันไรนั่นเองและตัวหัวหน้าของมันก็คือขุนพลวรมันซึ่งขณะ น, นี้อาศัยแฝงอยู่ในร่างของแง่ใสและตัวนางพยาพันธุมวดีนั่นแหละนั่นก็อาจจะเป็นตัวต้นเหตุสำคัญของความหายนะทั้งปวงแห่งนิทรานนครทีเดียว ใครจะรู้ได้ว่ามันเกิดมาจากเบื้องหลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่สลับซับซ้อนบางทีดวงตาของหญิงสาวรีลงขว่าความมืดออกไปอย่างปราศจากจุดหมายเหมือนจะเพ่งให้เกิดเป็นภาพขึ้นเสียงของหล่อนที่กล่าวต่อไปแผ่วเบาเหมือนกระซิบคล้ายคนที่ตกอยู่ในระหว่างครึ่งหลับครึ่งตื่นบางที อาจเป็นเรื่องของความรักความมิตสวาสดที่เกิดจากการหักล้างแย่งชิงกันขึ้นก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแต่เพียงความนึกคิดคาดคะเนของเราทั้งสิ้นนะครับยอมผ่านว่าพยายามจะขจัดความคิดทั้งมวลให้หลุดออกไปจากสมองผมว่าเราอยับมัวไปพะวงถึงอะไรอยู่เลยครับเอาไว้หเหตุการณ์มันบอกตัวเองออกมาดีกว่าครับ หน้าที่ของเราในขณะ น, นี้ไม่ใช่ไปมัวค้นหากริฟหรือคัมภีร์อะไรนะั่นแต่เราต้องค้นหาพักพวกของเราที่พลัดพรากจากกันในขณะ น, นี้และในจุดมุ่งหมายสําคัญนี้ถ้าหากบังเอิญเราไปพบเข้ากับสิ่งที่เราคาดคะเนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าแล้วเขาก็เข้าประจําที่นอนตามเดิมกล่าชวนให้น้องสาวของนายจ้างนอนพักเ่าแรงด้วยภายหลังจากนั่งเอามือเท้าคาง ป่อให้ความคิดล่องลอยไปตามลำพังคนเดียวอยู่ครู่ใหญ่ดารินก็เอนกายลงนอนเหตุการณ์ของครึ่งคืนหลังผ่านไปอย่างราบคาบปกติโดยไม่มีอะไรแพร่พานเข้ามารบกวนอีกเลยทั้งสามตื่นขึ้นมาอีกครั้งเป็นเวลาล่วงเลยมาถึงเก้านาฬิกาแล้วบุญคำตื่นเป็นคนแรกและปลุกอีกสองคนขึ้น อากาศในยามเช้าของวันนี้มืดครึ้มไปด้วยละอองหมอกไม่เวลาจะล่วงเลยจนสายอากาศก็ยังหนาวเย็นและมองไม่เห็นแดดเลยทำให้เผลือตัวหลับเลยเถิดไปจนเกินเวลาประกอบกับความอิดโรยอ่อนเพลียที่ผจนกันมาอย่างหนักเพียงแค่เหยียดแขนขาสะบัด ต, ตัวไล่ความเมื่อยขบและเอาน้ำฉโลมหน้าทั้งสามก็พร้อมสำหรับการออกเดินได้ทันที ท่กลางแสงสลัวของยามเช้าที่หมอกปกคลุมไปทั่วพื้นดินและใบไม้อย่างเปียกชุ่มสลับน้ำฝนที่ค้างอยู่เมื่อคืนพูลงกระทบพื้นเบื้องล่างเป็นระยะเมื่อถูกลมพัดบุญคำนำเลี้วจากเนินลงมาสู่ชายขอบหว้วยโดยตามรอยของแง่ทรายและพวกกองก่อยที่ย่ำกันไปเป็นเถือกลงมารอยมันย้อนลำห้วยขึ้นเหนือทางเดียวกับที่เราจะไปเหมือนกันนะนาย เสียงตาพรานเฒ่าพูดขึ้นเบาๆขณะที่มองตามรอยซึ่งเดินเข้าขบวนเลียบไปตามชายฝั่งสวนแนวน้ำไหลขึ้นไปขณะนั้นสายน้าอันแดงคล้ำที่เกิดจากฝนตกชะเมื่อคืนและไหลไปตามลำห้วยลดระดับที่เคยสูงเออขึ้นมาจนถึงครึ่งฝั่งลงไปแล้วเหลือแนวไหลคดเคี้ยวอยู่ใต้ก้นห้วยลึกไม่เกินสอกระพิงกว่าตาคมกริบไปรอบๆ แล้วแตะหลังตาพรานเท่าเบาๆไปตามมันไปเรื่อยๆก่อนพยายามหาร่องรอยของพวกเราด้วยอย่ามัวแต่ดูรอยของมันอยู่เขาหลีกทางพยักหน้าให้หญิงสาวไปเดินเรียงหนึ่งอยู่ตรงกลางตนเองปิดท้ายระวังหลังมาโดยปล่อยหน้าที่นำให้แกบุญคำแนวลำห้วยวกเวียนคดเคี้ยวขึ้นไปสู่เทือกเขาสูงและสูงขึ้นไปเป็นลาดับ ก, การเดินเลาะไปตามชายฝั่ง บางระยะก็เลียบผ่านไปได้โดยสะดวกบางระยะก็ติดปารกประเภทดงไผ่และหวายซึ่งอุดมไปด้วยน้ำทำให้ต้องเลาะอ้อมหรือมิฉะนั้นก็ลงเดินลุยพื้นอันเปียกแฉะอับชื้นของก้นลำหุดการตัดสินใจเลือกแนวเดินไม่มีอะไรยุ่งยากหรือต้องคิดมากนะักเพราะอาศัยรอยของพวกกองกอยกับแงซ า, ายซึ่งเป็นเรือนาร่องให้เห็นไปก่อนแล้ว ขนทางเดินยากลำบากอย่างยิ่งเพราะสภาพอันเปียกแฉะและลื่นทั้งสามขมุกขมอมเปียกเปรอะโคลนแทบจะตลอดทั้งตัวต่าง ม, มุดกันไปภายใต้ยอดไม้ที่ปกคลุมอยู่หนาทึบเบื้องบนจนแทบมองไม่เห็นทองฟ้าทุกฝีก้าวย่างที่ผ่านไปยังต้องระมัดระวังตัวแจจากงูพิษขนาดเล็กและถ้าตลอดจนมแมลงก่อความราคาญต่างๆซึ่งมีชุกชุมตลอดระยะ หมูป่าขนาดใหญ่เขี้ยวขาวงงออกมานอกปากยาวเกือบคืบตัวหนึ่งหักซุ้มนอนอยู่บนแองเหนือฝั่งห้วกระโจนออกแล่นหนีป่าแต่ครืนพร้อมกันร้องเสียงลั่นขึ้นเมื่อคนทั้งสามไต่ก้นห้วยขึ้นมาระยะห่างเพียงสามวาโดยต่างฝ่ายต่างไม่รู้ตัวธรรมดารินสะดุง้งตกใจถไหลลื่นลงมาปะทะระพินกลงคลุคลักกันอยู่ก้นห้วย กว่าตาพานท่าบุญคำจะตะโกนร้องบอกลงมาให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรไอ้หมูโทนผู้เป็นต้นเหตุแห่งการตื่นตระหนกนั้นก็เพนแนบหายไปแล้วเสียงร้องลั่นของหมูและเสียงที่มันกระจจนรวดพราดขึ้นยางกระทันหันใกล้ตัวท่ามกลางป่าอันเงียบสงัดเป็นเสียงที่ตะเลิดขวัญกันได้อย่างชะนัดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมันเกิดขึ้นในขณะที่ไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน หญิงไม่ทันหัวสูงท่วมเอวเลยนาะยหญิงบุญคำบอกมาอย่างเสียดายเมื่อรับพินกับดารินไต่ตามขึ้นมาถึงฝั่งห้วยใจหายหมดเลยดารินพึมพันเอาเมือกุมหน้าอกที่หัวใจยังเต้นแรงอยู่แล้วถอนใจฉันนึกว่าไอ้โครงดำ น, นั่นโจรเขาเล่นงานบุญคำซะแล้วตาพลานเท่าจองเข้าไปดิมเดิมด ม, มองๆรวดรอยที่มันนอนอยู่เมื่อตะกี้นี้ ด้วยนิสัยพรานไพรของแกแต่ละพินดีดนิ้วแล้วโบกมือห้ามให้เลิกความสนใจเร่งการเดินหน้ารุดหน้าต่อไปเขาไม่ต้องการจะเสียวเวลาแม้แต่นิดนึงตั้งแต่ตื่นขึ้นมาวันนี้ทุกคนยังไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากน้ำเท่านั้นแต่บางสิ่งบางอย่างเป็นความหวังที่รอคอยอยู่เบื้องหน้ามันรุ่มร้อนใจจนทาให้ต่างลืมความหิวโหยจนหมดสิน้น นอกจากจะพยายามเร่งการเดินให้เร็วที่สุดแนวลำค้วยนั้นนำเข้าสู่หุบแล้วทะลุออกมาบรรจบกับด่านช้างขนาดใหญ่เส้นทางหนึ่งจากนั้นก็ลดเลี้ยวซอกซอนไปเขาต่อไปอีกเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเวลาเริ่มผ่านไปเป็นลำดับจากชั่วโมงกลายเป็นสองแล้วสามชั่วโมงต่อมาแสงของตะวันเที่ยง แลลเหินอยู่รำไรเหนือยอดไม้ระหว่างเหลี่ยมสไลด์สูงเมื่อพ้นขบออกมาบรรจบด่านช้างความเย็นชื้นก็เริ่มจะแปรมาสู่สภาพอันร้อนอบอ้าวจนเหงื่อชุม่มสามคนบุกบันฟันฝ่ากันไปด้วยวิญญาณทรหโดขีดสุดมีสภาพไม่ผิดอะไรกับจัดป่าสำหรับดารินวราริษนั้นบัดนี้ความเคยชินต่อเหตุการณ์ล่อล้อมหัวใจและร่างกายของหล่อน ให้แข็งแกรง่งไม่ผิดอะไรกับลูกป่าคนหนึ่งกำลังอยู่ตัวแข็งแกรง่งศิละปะการเดินป่าซึ่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับทำให้เกิดการคล่องตัวชำนาญขึ้นเมื่อมาประกอบกับน้ำใจสู้ยิบตาต่อความยากแทนแสนสาหัสทั้งปวงหล่อนจึงไม่เป็นภาระอันหน้าหนักใจใดๆอีกและแน่ละต่อไปนี้ทุกสภาพของป่าเขาลาเนาไพร ไม่ว่ามันจะยากแทนธุรกันดานเพียงไรแม้จะหลงพลาดพลากอยู่เพียงคนเดียวนักพจนภัยเลือดราชสกุลสาวผู้ผ่านหลักสูตรการดำรงชีพในป่าเทียบขั้นปริญญามาแล้วย่อมจะเอาชีวิตรอดได้เสมอสิ่งนี้ระพินผู้เปรียบเสมือนครูฝึกกล้าที่จะออกประกาศเสียบัตรให้ได้แต่เขาก็ไม่บอกให้หลอนรู้ตัวนอกจากนานๆครั้ง ก็จำเลืองเหลือไปทางลูกศิษย์สาวผู้เคยบอกบางและเปราะเหมือนไข่ในหินด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปร่งหมดกลางบนในที่สุดสภาพอันรกทึบของป่าก็เริ่มจะค่อยๆโปร่งขึ้นเป็นลำดับ ตามแนวป่าของลำห้วยนั้นรอยฝนตกหนักเมื่อเย็นวานยังชุ่มช่ำอยู่ทั่วไปแม้จะเดินกันมาแล้วหลายชั่วโมงแสดงว่าอาณาบริเวณของมันกว้างไกล ย, ยิ่งพอทะลุออกมาพบกับด่านใหญ่อีกเส้นหนึ่งรอยของแง่ทรายกับพวกกองก่อยก็แยกจากแนวห้วยบ่ายหน้าไปทางตะวันตกเฉียงนใต้ซึ่งเป็นทางขึ้นไหลเขาไฟติดตามหยุดชะงักลงในบัดนั้น ปัญหาที่ต้องใคร่ครวนคบคิดเอายังไงดีนายไอ้งแงซายแย่จากแนวห้วยใช่แล้วหาดงนั่นทำให้เราต้องคิดอีกแล้วแม้จะอยู่ในอารมณ์เคร่งเครียดจอมพรานก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ในคำพูดของตาพรานเท่าสมุนขวาของเขาที่ตั้งสภพนาใหม่ให้แงซายส่วนดารินตาเขียวทุบไล่บุญคำโดยแรงบ้าบุญคานี่ปากไม่ดี มันเรื่องอะไรไปดา่าเขาอย่างนั้นผมว่า บ, บุญคาตั้งฉายาให้แง่สายได้ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับระพินขัดแทรกขึ้นพร้อมกับหัวเราะฮือมันเป็นหาดงจริงๆไม่งั้นก็คงไม่ย้ายยักษ์กเต็มไปได้วยเลขกลทำให้เราต้องเดินง ม, มดงกันอยู่อย่างนี้หรอกครับอ๋อนี่ปากสีอีกคนหนึ่งเหรออย่าลืมนะถึงยังไงแง่สายก็เป็นคนของฉันครับเคยเป็น แต่เดียรี่เห็นจะไม่ใช่ใช่แล้วล่ะครับอย่ามัวมาทะเลาะ ก, กันให้เสียเวลาเลยครับมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะตามหลังแง่ทรายไปหรือว่าจะยึดแนวนําของลําห้วยนี่ตามเดิงฉันจะตามแง่ทรายไปดีกว่าเพราะฉันเชื่อแน่ว่าเขาจะต้องนําเราไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเสมอเขายังนําเราให้ไปพบกับบุญคําและรอยของชายันกมเมได้เขาก็น่าจะนําเราไปพบกับร่องรอยหรือตัวจริงของพี่ใหญ่ได้ ดารินพูดโดยเร็วไม่ต้องเสียเวลาคิดรพินยกมือขึ้นจัดปลายคางแล้วเช็ดเงือสลัดออกไปถ้าจะให้เลือกตามความเห็นของผมนะครับเราน่าจะยึดแนวลำห้วยต่อไปเลือกสนใจก ร, รอยของแง่ทรายได้มันจะเดินแยกไปทางไหนก็ช่างหัวมันเหตุผลล่ะให้ผมถามคุณหญิงก่อนดีกว่าครับ ขณะนี้นะคุณหญิงอยากพบคุณชายเชษฐาหรือว่าอยากพบแง่ทายบ้าถึงก็อยากพบพี่ใหญ่ก่อนนะสิถ้าอยากพบพี่ใหญ่ก่อนก็ทิ้งแนวลำห้วยไม่ได้ครับต้องยึดเส้นทางนี้แหละแต่แง่ายน่าจะนําเราไปถึงตัวพี่ใหญ่โดยหนทางที่ถูกต้องและสะดวกกว่านะหล่อนไม่ยอมทิ้งความเห็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นอย่างเชื่อมั่นแต่ละพินสันจีสัก อย่าลืมใชะนะครับว่าแรกทีเดียวเราตั้งใจที่จะยึดแนวลำห้วยนี้ขึ้นมาโดยตลอดจนกว่าจะพบวี่แววหรือร่องรอยอย่างอื่นของคุณชายอีกที่เราตัดสินใจดังนั้นก็เพราะหลักฐานปลอกกระสุนปืนกับก้นซิ ก, ก้าที่มันลอยไปให้เห็นซึ่งหมายความว่าคุณชายจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึง่งใกล้แนวลำห้วยนี้แน่แนงายเพียงแต่เดินตามแนวฝั่งมาในทางเดียวกันนี่เท่านั้น แล้วเดี๋ยวนี้ก็เห็นชัดว่ามันแยกไปโดยที่เรายังไม่พบวี่แววหลักฐานใดๆของคุณชายเพิ่มขึ้นเลยจุดประสงค์ของแง่ทายหรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าขุนพลวรมันของคุณหญิงต้องการจะนำเราแยกทางไปสู่ที่อื่นไม่ใช่นำไปพบคุณชายแน่ครับเชื่อพรานใหญ่นะครับนายหญิงไอ้คนผีสิงนั่นต้องการให้เราตามมันไปยังที่มันประสงค์ มันต้องการให้เราช่วยเหลือมันไม่ใช่ต้องการให้พวกเราพบกันเองเมื่อคืนนี้มันก็ยังมาเข้าฝันนายหญิงนี่บอกให้ไปช่วยถอนกรดอะไรนั่นนายหญิงลืมใช่แล้วเหรครับบุญคําช่วยพูดมาอีกคนหนึ่งดารินอึ้งไปด้วยความคิดที่ขัดแยง้งแต่ว่าคุณก บ, บุญคําแน่ใจเหรอว่าถ้าเราเดินเลาะห้วยต่อไปเราจะได้พบวี่แววของพี่ใหญ่ นี่เราเดินมาตั้งสามสี่ชั่วโมงแล้วนะยังไม่พบร่องรอยอะไรทั้งสิ้นเมื่อวานนี่ฝนตกหนักคงจะลบหลักฐานอะไรหมดแล้วและบางทีตลอดระยะเวลาที่เราเดินผ่านกันมาเราอาจผ่านพ้นตำแหน่งที่พี่ใหญ่หยุดพักมาแล้วก็ได้โดยคนไม่พบเพราะฝนตกกลบหมดแล้วเขาก็อาจแยกไปทางอื่นแล้วเมื่อแต่เลาะลำห้วยไปเรื่อยๆโดยไม่รู้แน่ว่าจะเอาอะไรเป็นที่กาหนดหมาย เราอาจคว้าน้ำเหลวก็ได้นะแต่ผมแน่ใจครับแล้วก็ร่ารับกล้ารับรองว่าเราจะต้องพบร่องรอยของคุณชายเพิ่มเติมแน่นอนหากเลาะลำห้วยนี่ไปอีกที่ผ่านมาแล้วยังไม่ถึงที่ที่คุณชายพักอยู่ครั้งแรกแม้ฝนจะตกหนักเมื่อวานก็ตามมันก็จะต้องเหลือข้าวอะไรให้เห็นอยู่บ้างล่ะซึ่งผมก็สังเกตยอย่างละเอียดมาทุกระยะทีเดียวตอนี้เรายังไม่พบวี่แววอะไรเลยสักอย่าง หลักฐานที่เราต้องการเห็นจะต้องอยู่ข้างหน้าและอาจถัดจากนี่ไปอีกไม่ไกลนักนะครับความจริงแง่สายกับพวกกองกอยก็แสดงเครื่องหมายนำทางให้เราเห็นชัดอยู่แล้วนะถูกแล้วครับแง่สายนำทางฮะแต่ปัญหาน่ะมันอยู่ที่ว่าแง่สายจะนำไปสู่ที่ไหนตา่าะผมถึงต้องการทราบความเห็นของคุณหญิงเมตกี้นี้ว่าเราจะเลือกตามฝ่ายใดถ้าตามแง่าย เราก็พลาดกับคุณชายแน่ส่วนจะไปได้ผลคืบหน้าในด้านใดนั้นก็อีกเรื่องนึง่งแต่ถ้าตามคุณชายต่อให้พบหรือไม่พบก็ตามเราก็จะไม่มีวันคลาดจากแง่รายวันอย่างคำ่ำเพราะไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนในป่านี้หากแง่ทายต้องการจะให้เราเห็นเมื่อไหร่มันก็จะไปดักหน้าปรากฏตัวให้เห็นอยู่เสมออย่างที่แล้วแล้วมาควรจะคานึงความจริงด้วยนะครับว่า ถ้าเราไม่ตามมันมันก็ตามเราแงซายไม่มีวันพละห่างทิ้งเราไปหรอกมันจะวนเวียนใกล้ชิดอยู่ทุกระยะและครับหญิงสาวจำนวนต่อเหตุผลพยักหน้าความจริงฉันไม่น่าจะมีความเห็นขัดแย้งกับคุณเลยนะทั้งๆที่คุณก็เป็นผู้นำมาโดยตลอดเอาละตกลงยึดแนวห้วยต่อไปแล้วกัน ระพินแงนงสำรวจยอดตาและท้องฟ้าที่ปรากฏให้เห็นบางส่วนอีกครั้งแล้วเคลื่อนที่ทันทีครั้งนี้เขาออกนำไปเบื้องหน้าให้บุญคำไปอยู่รังท้ายเร่งฝีเท้าทำเวลาเต็มที่ดารินก็สาวเท้ากระชันชิดโดยไม่ยอมปล่อยให้เขาทิ้งระยะห่างออกไปด้วยความบึกบืนขีดจุดไม่นานต่อมาลำห้วยที่นำมาโดยตลอดนั้นก็เจาะมุดเหมือนจะเป็นทางอุโมงค์ ลอดเข้าไปในกระเซิงป่าเถาวัลย์ที่ปกคลุมหนาแน่นไปหมดจนสังเกตอะไรไม่ได้ไม่มีทางที่จะอาศัยเรียบตามชายฝั่งได้เลยนอกจากจะเดินลอดไปใต้ลำห้วยนั้นจอมพรานมาหยุดยืนลังเลคิดอยู่ปากทางอันเป็นดงกล้วยป่าเล็กๆดารินมองหน้าอย่างอ่านความคิดไม่ออกทำไมเหรอเห็บรู้สึกว่าจะเป็นดงของมันทีเดียว หญิงสาวขนลุกขนชันขึ้นมาในทันทีนั้นลอนรู้พิษสงริดเด็ดของเห็บป่าได้เป็นอย่างดีเพราะเคยเดินมาก่อนแล้วสมัยการเดินทางเพื่อล่าสัตว์ในช่วงแรกก่อนจะถึงหล่มช้างเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ฝังลงไปในผิวหนังบริเวณเนื้ออ่อนทําเอาตะครั้นตะครอปวดหัวตัวร้อนไปหลายวันกว่าจะค้นพบสาเหตุยิ่งกว่านั้นแม้จะขุดเอาตัวของมันออกมาได้แล้วแผลรอยกัด ก็ยังทิ้งความเจ็บเจ็บคันคันก่อความรำคาญไปอีกนานบางครั้งแม่ตัวของมันจะถูกเด็ดออกไปแล้วก็ตามแต่ส่วนศีรษะอันมีเขี้ยวราวกะคีมก็ยังขบติดเหลือค้างอยู่ใต้ผิวหนังมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นขณะนั้นบุญคำก็ล้วงออกกลักยาฉุนของแกออกมาขยุมในฝ่ามือวักน้ำในลำห้วยผสมขยี้แล้วฉโลมไปทั้งตัวอันเป็นผิวเนื้อบริเวณนอกร่มผ้า ตลอดจนทุกส่วนเท่าที่จะล้วงมือเข้าไปได้เอไม่เข้าทีซะแล้วหาทางเลี่ยงอ้อมให้พ้นดงบริเวณนี้ซะก่อนไม่ได้เลยหล่อนพูดอย่างไม่สบายใจนะักลาบากครับดงบริเวณนี้น่ะมันคืบแล้วกว้างใหญ่เหลือเกินไม่ทราบว่าจะอ้อมออกไปไกลสักเท่าไหร่จึงจะพ้นบริเวณและพบแนวห้วยนี้อีกครั้งมีทางเดียวเท่านั้นแหะครับเราต้องลงเดินในลําห้วยนี้ไป แล้วจะทำยังไงดีกว่าจะพ้นกระเซิงป่าที่ปกคลุมอยู่นี่มันไม่เล่นงานเราแย่ไปหรอจอมพรานกัดริมฝีปากนิ่งไปชั่วครู่ก็ล้วงย่ามหลังหยิบขวดน้ำมันกันแมลงอีกชนิดหนึ่งสีเขียวเข้มราวกะน้ำมันเขียวออกส่งให้บอกเสียงหนักๆว่าฉโลมให้ทั่วตัวเลยนะครับทนแสบเอาหน่อยระวังอย่าให้ถูกตาหรือริมฝีปากนะครับยานี่มันแรงมาก ทั่วทั้งตัวเลยเหรอหล่อนร้องเบาๆเบิกตาเขาพยักหน้าเพื่อความปลอดภัยที่แน่นอนมิฉะนั้นมันอาจเกาะติดเสื้อผ้าและหาทางแทรกตัวเข้าไปภายหลังก็ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามซอกต่างๆใต้ร่มผ้ากล่าวจบเขาก็กระดิกนิ้วเรียกบุญคำที่กำลังง่วนอยู่กับการเอายาฉุนละลายน้าทาตัวให้เดินลํามาเบื้องหน้าสั่งจีบขัดว่า นายหญิงจะเอายาทาตัวบุญคำยืนอยู่ตรงนี้แหละอย่าหันกลับมาเปน็นน้นขาดนะแล้วเขาก็หันมาทางหญิงสาวเชิญครับผมเองก็จะหันหน้าไปทางโน้นเสร็จเมื่อไรบอกด้วยแล้วกันกล่าวจบก็หันหลังหา่าดารินถอนใจขือกและตัดสินใจอย่างรวดเร็ววางไรเฟิลลงกางแง่หินข้างๆปลดดุมเสือ้อและซิปกางเกงเดินตาแบะออกจนถึงผิวเนื้อ จัดการอน้ำยาลูปทาผิวกายด้านในก่อนแล้วจึงฉโลมทาตามมือแขนซอกคอและบางส่วนของใบหน้ามันแสบร้อนจนกายของหล่อนสันเทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณที่เป็นผิวหนังอ่อนหญิงสาวสูดรปารกเบาๆหน้านิ่วคิ้วขมวดจัดการกลับดุมรูดซิฟให้เรียบร้อยตามเดิมและสะกิดหลังเขาส่งขวดยาคืนให้โอ้ มันทำท่ามันจะลวกสุกไปทั้งตัวยังงั้นแหละนี่ถ้าหนังจะหลุดเป็นชิ้นๆแล้วก็นายพรานเอ้ยอย่าอยู่เป็นคนอีกเลยฉันจะสาบให้คุณไปเกิดเป็นตัวเห็บเหล่านั้นแทนถ้าผมเกิดเป็นตัวเห็บได้แล้วก็ทราบไหมว่าผมจะเลือกเกาะบริเวณไหนในตัวของคุณหญิงเขากระซิบขณะที่รับยามาทาตนเองบ้างอย่างลวกๆดารินคอนกระซิบตอบ ขณะที่ใช้สอกท้องสีข้างคนพูดไม่ทุกอย่าพูดให้ต้องคิดลึกนะเดี๋ยวเหะเห็นฉันเป็นเมเป็นเล้ออาได้ยังไงอู้แสพร้อนแต่ทนไม่ไหวแล้วคนหน่อยครับอีกสักประเดี๋ยวมันจะค่อยยังชั่วนะครับแสพร้อนทรมานหน่อยยังดีกว่าให้เห็บมันเกาะนะครับเสร็จสับการต้องกันตัวจากสัตว์ประเภทแมลงมีพิษร้ายทั้งหมดก็เดินลอดป่าที่ปกคลุมทึบอยู่เบื้องบน เข้าไปตามช่องลำห้วยนั้นอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะดารินทุกฝีก้าวย่างไม่หายใจไม่ทั่วท้องเลยหนทางภายในมืดสลัวราวกำมุดเข้าถ้ำระพินกระซิบเตือนไม่ให้หลอนจับต้องหรือกระทบกับกิ่งไม้ที่ทอดเกะกะอยู่เหนือสีสัตโดยให้พยายามก้มหลีกเลี่ยงไปซะเพื่อไม่ให้เกิดการสั่นไหวกระทบกระเทือนขึ้น เสียงมแมลงกรีดกริงแซดแซ่ไปหมดแล้วคนไปกับเสียงน้ำไหลกระทบแก่งแง่อยู่ริกๆทั้งหมดปลดไรเฟิลลงมาถือไว้ในมือป้องกันไม่ให้ปลายปากกระบอกโผล่ล้ำขึ้นไประกิ่งไม้ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับอะไรก็ตามหากมันจะบังเอิญเดินสวนทางมาในลำห้วยแคบจำกัดชนิดที่ต้องเดินกันแบบเรียงหนึ่งน้น แต่ก็ไม่มีวีแววร่องรอยอะไรทั้งสิ้นดงทั้งดงเงียบสงัดวังเวงยิง่งคงมีแต่เสียงพวกมแมลงเท่านั้นเ well. วลาผ่านไปอีกเกือบชั่วโมงเต็มๆของการเดินมุดตามท้องห้วยใต้กระเซิงป่าเถาวัลย์ ต่อมาก็ผ่านซอกเขาแล้วไต่เนินขึ้นไปสู่ที่ราบสูงป่าเริ่มจะปรุงขึ้นอีกครั้งและเห็นหญ้าและเฟิร์นเขียวขจีอยู่ตามเนินสองฝากฝั่งและเต็มไปด้วยดอกเอื้องสีสันต่างๆประดับอยู่บนคาคบไม้สูงภูมิประเทศผันแปรกลับหน้ามือเป็นหลังมืออย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวทั้งหมดใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดสังเกตดูมันอย่างรอบคอบระแวดระวัง โดยไม่ยอมประมาทแม้แต่นิดขณะที่ไตฟังห้วยขึ้นมาทันทีนั้นบุญคำซึ่งไตตะลิงขึ้นไปเป็นคนแรกก็ชี้มือไปทางเบื้องหน้าร้องบอกด้วยเสียงอันตื่นเต้นดูโ น, น่นนายรพินกับดารินเหนียวรากไม้ตามขึ้นไปติดๆแล้วก็เห็นผ้าที่ตาตาพรานเท่ากำลังจ้องอยู่ในขณะนี้ บนเนินย่อมย่อมลูกหนึ่งริมฝั่งห้วยที่เหนือขึ้นไปเล็กน้อยห่างไม่เกินห้าสิบเก้าใต้ร่มเงาของตะเคียนใหญ่มีกองค่อไม้ลักษณะถูกไฟกินไปดำดำด่างดทิ้งเกลือนกระจับกระจายอยู่กับพื้นรวมทั้งเศษกิ่งไม้และใบไม้ที่มีรอยตัดลิดออกมาจากต้นทิ้งทั่วบริเวณทั้งสามปราตรงเข้าไปทันทีด้วยดวงใจอันใต้นแรง พอข้ามักใกล้ดารินก็ตกใจหน้าซีดร้องออกมารอยช้างขโขงผ่านเข้ามาที่นี่พื้นดินอันอ่อนนุ่มบริเวณ น, นั้นถูกเหยียบย่ำสับสนด้วยรอยเท้าช้างขนาดใหญ่จนแลเป็นปลักไปหมดบุญคำมีอาการเหมือนหมาล่าเนื้อออกวิ่งพล่านสูดดมค้นหาไปรอบๆ บ, บริเวณส่วนรพินย่างเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงกองไม้ที่กระจัดกระจายอยู่กับพื้น ใต้กองไม้เหล่านั้นเป็นกองถ่านและขี้เถ่ามากมายด้าริ้งใจระทึกลมหายใจที่เร็วเข้ามายืนอยู่ใกลก้ๆมองไปที่กองไม้และหันกลับมาจ้องหน้ารพินสลับกันโดยเร็วเหมือนจะให้ช่วยแปลรหัสรานย่างเนื้อครับเขาบอกต่ำๆในลำคอบุยปากให้หลอนดูลงไปยังกองไม้เหล่านั้นแล้วก้าวออกไปก้าวหนึ่ง ใช้เท้ากวาดกองใบไม้ที่คลุมเกลือนอยู่เคียเอากระดูกท่อนขาของสัตว์อะไรชนิดหนึ่งซึ่งทาไมใช่ ว, วัวขนาดใหญ่เคาะกระถิงออกมาให้หลอนเห็นเรามาถึงต้นแหลงที่เราต้องการนะครับต้นแหลงที่ก้นซิ ก, ก้าและปลอกกระสุนลูกซองลอยลำห้วยตามสายน้ำฝนไปให้เราเห็นเมื่อเย็นวานพี่ใหญ่มาหยุดพักที่นี่เหรอไม่ได้หยุดพักเฉยๆครับ แต่ตั้งแคมป์พักแรมอยู่ไม่น้อยกว่าสองสามวันทีเดียวสังเกตดูกองไฟขนาดใหญ่และร้านย่างเนื้อนี่คงจะยิงอะไรได้ในบริเวณนี้และเห็นว่าชยภูมิเหมาะจึงพักอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วดารินอ้าปากร้องค้างอยู่เช่นนั้นชี้มือลงไปยังรอยโขลงช้างที่ย่ำเกลื่อนเป็นแปลงอยู่พลานใหญ่สั่นสีสษะไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นหรอกครับ เพียงแต่ว่าช้างโขลงนี้มาถึงบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งแคมป์ของคุณชายก่อนเรารอยของมันรู้สึกว่าจะเป็นเมื่อเช้านี้เองคุณชายนะ่ะเคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านั้นแล้วอาจจะเป็นตอนเช้าของวันวานก็ได้โดยทิ้งร้านย่างเนื้อไว้ช้างป่าที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้เห็นข้าวก็เลยมาช่วยกันรื้อซะสัญดาณช้างมันก็เป็นอย่างนี้เองครับเห็นอะไรเกะกะแตกปลอมไม่ได้มันต้องรื้อถอนทําลายซะหมด ไม่ใชเกิดปะทะกันขึ้นนะระพินไม่มีร่องรอยเลยครับแล้วคุณหญิงคิดหรือว่าถ้าไอ้โรงนี้เกิดปะทะกับพวกของคุณชายมันจะไม่ถูกยิงทิ้งซากให้เห็นบ้างด้วยต่อสูอ้อื่นๆก็ไม่มีนะครับคงมีแต่รอยที่มันผ่านมาเห็นสถานที่อันเคยเป็นที่พักของมนุษย์มีอะไรเหลือให้เกล ก, กะลูกในตามันก็รื้อถอนทําลายซะก็เท่านั้นเองขณะนั้นบุญคําพู้ด้อมอยู่ริมฝั่งห้วย ก็หันกลับมาตะโกนบอกว่ากระทิงนายหนังก็หัวทิ้งอยู่ในห้วยนี่เองแล้วแกก็เดินลิวกลับมากิริยาเต็มไปได้วยความปิติยินดีพอมาถึงก็แบฝ่ามือทั้งสองที่ถือกรอบอยู่ออกไปต่อหน้าบุคคลทั้งสองนายใหญ่กับไอ้พวกนั้นช่วยกันซัดไอ้กระทิงนั่นเป็นการใหญ่เลยบอกก็สุนปืนเกลือนอยู่ริมฝั่งห้วยนนทบุญคาเก็บได้ครับ ดารินเห็นข้าวก็ลืมตาโพลงแต่ครุบเอาปลอกกระสุนประมาณเจปดปลอกเหล่านั้นไปดูมันมีทั้งปลอกลูกซองและไรเฟิลขนาดต่างๆแล้วส่งปลอกหนึ่งไปให้จอมพรานดูก่อนร้องออกมาด้วยเสียงสั่นจันพี่ใหญ่ใช่แล้วปลอกกระสุนนัดนั้นคือปลอกของจุดสี่หกศูนย์เวเอร์บีนพินรับไปดูและมองหน้าหลอนซึ่งบัดนี้แดงระเรื่อขึ้น ดูให้ดีสิครับอีก2 3สปล อ, อกนั่นเป็นลูกปืนอะไร 30.06 2ปล อ, อกแล้วก็3า5เจหอีกปล อ, อกนึง่งราพูดอย่างตื่นเต้นแล้วส่งให้เขาดูอีกโดยเร็วจำได้ไหมครับพวกเราใครใช้30 06บ้างเกิดคนนึงละที่มันใช้ลิคอร์ของพี่ใหญ่แล้วก็ อีกระบอกหนึ่งเป็นซีแซดของคุณเองที่ให้เสยถือไม่ใช่เหรอแล้วจุดสาหล่ะดาริมตาเป็นประกายเม้นริมฝีปากเอามือแตะขมับพวกเราทั้งหมดมีจุดสาหใช้อยู่3กระบอกกระบอกหนึ่งบุญคําถืออยู่นี่อีกกระบอกเป็นซีแซของเมย์แล้วอีกกระบอกหนึ่งบรล่าหนึ่งของฉันเดิมทีฉันให้แงซทรายถือ ต่อมาภายหลังคุณเป็นคนเปลี่ยนให้เจ้าสัางปาใช่แล้วสั่งปลาประโยคหลังหล่อนร้องลั่นออกมาถ้าเช่นนั้นการคาดคะเนของคุณหญิงและการสังหรนของผมก็เป็นความจริงหมดทุกอย่างคุณชายอยู่ครบพร้อมหน้ากับพวกเราทุกคนที่ยังไม่ได้ร่องรอยก็คือขยินสังปาเกิดเสยและจันรวมทั้งคุณชายเองด้วยเป็นหกคนคุณแน่ใจอย่างนั้นเหร บอกกระสุนเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันชัดอยู่แล้วนี่มินําซ้ําลักษณะการตั้งแคมนี่ก็บอกได้ว่าเป็นที่พักของคนหมู่ใหญ่หลายคนทีเดียวแล้วเขาก็หันขับมาทางบุญคําสากหัวกระทิงกับหนังนะ่ะถูกหลอกมากี่วันลนะบุญคําไม่เกินสองสามวันมานี่เองนายพวกนั้นทิ้งหัวกระทิงแช่อยู่ในน้ําหัวเกือบเท่าครกตำข้าวต้นกระบาขนาดเท่าขาอ่อนบนชายฝั่งโน่น ขาดเราก็ถูกฟ้าผ่ารอยมันพุ่งเขา้าขุิดแล้วตีลังกากลิ้งลงมาตายในลำห้วยพวกนายใหญ่คงตามยิงมาจากฝั่งโน้นเพราะได้ตัวก็ชํำแหลกขึ้นมาก่อร้านย่างแล้วก็พักอยู่ฝั่งนี้แกหยุดเว้นระยะสั่นหัวเด็กๆนายใหญ่นี่ไม่ดีจริงๆไม่ยักทิ้งอะไรให้เรากินมั่งเลยเหลือแต่หัวกันหนังเน่าๆมาแรงวันตอมหึง ดารินย่อนกายลงนั่งบนโขดหินใกล้ๆลูกหนึ่งถอนใจเฮือกอย่างโล่งอกพันมมือขึ้นริมฝีปากมุบมิดขอบคุณคุณพระคุณเจ้าขอบคุณต่อเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในการตรวจอย่างถี่ถ้วนรอบๆ บ, บริเวณอีกครั้งทั้งสามพบหลักฐานเพิ่มเติมที่จะเชื่อได้อย่างแน่ชัดไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยว่า พันโทมมราชวงศ์เชษฐาวราริตอดีตทหารทุอดีตท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะอยู่กันพร้อมหน้ากับพรานอีกห้าคนรวมทั้งสัมภาระส่วนใหญ่ของคณะทั้งหมดด้วยเพราะมีกระดาษเช็ดมือเศษกระดาษตะกัวที่ผนึกยาเม็ดเศษสปลาสเตอร์สำหรับปิดแผลทิ้งไว้ให้เห็นแม้กระทั่งก้านไม้ขีดบุญคำก็คุยขึ้นมาได้จากกองใบไม้ ลักฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้แสดงว่าทั้งสองฝ่ายพลาดจากกันเพียงช่วระยะเวลานิดเดียวอย่างน่าเสียดายที่สุดแต่สําหรับพระพินไควันเขามองเห็นความหวังอยู่เพียงแค่เอื้อมแล้วระหว่างที่ดารินยังนั่งพักพระพินกับบุญคําแยกกันออกเดินตรวจในรัศมีที่ห่างออกไปรอบๆ อ, อีกครั้งพรานใหญ่มาหยุดยืนพินิจอยู่ที่ทางด่านเล็กๆ อันทอดเลี้ยวเลาะในระหว่างแมกไม้พุ่มพ่งขึ้นไปยังโคกสูงต่อมาก็รู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่เบื้องหลังคุณคิดว่าพี่ใหญ่กับพวกนั้นจะไปทางนี้เหรอเขายังไม่ตอบในขณะนั้นเดี๋ยวกลับมามองหาบุญคำเห็นแก่โผล่ออกมาจากแนวบังของซุมไม้ทางด้านซ้ายมือแล้วก็เดินตรงเข้ามาสมทบบุญคำดูจากรอยไม้ที่ตัดไวรอยที่ใหม่ที่สุด คณเรว่าควรจะเป็นเวลาเช้าของเมื่อวาน น, น่ะนายดูจากซากหัวกระทิงไม่ได้หรอกนายเพราะพวกนั้นนะ่ะยิงไว้ก่อนหน้าสองสามวันและยังพักต่อไปที่นี่จนกระทั่งเพิ่งจะย้ายไปเมื่อเช้าวานนี้เองเมื่อวานเราโดนฝนกันตอนบ่ายพวกที่อยู่ที่นี่จะต้องย้ายแคมป์ไปก่อนที่ฝนจะตกสินะใช่แล้วนายเห็นรอยายหน้าไปทางไหนบ้างไหมบุญคําสันศีษะ ดูไม่ออกเลยนายพวกนั้นไปก่อนฝนตกที่บริเวณนี้เป็นที่ลุ่มในระหว่างตีนเขารอบนอกล้อมรอบน้ําฝนมันเทช้าลงมาลบรอยตีนหมดระพินยกมือขึ้นลูบใบหน้ายอมรับกับตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่วินิจฉัยยากเหลือเกินเขาจะต้องใคร่ครวญอย่างรอบคอบและตัดสินใจให้ถูกต้องใกล้เคียงที่สุดมิฉะนั้นแล้วการติดตามจะล่าช้าเสียเวลาลงไปอีก ผิดทิผิดองศากันแม้แต่นิดเดียวทั้งสองฝ่ายจะเดินพลับแย่กันออกไปไกลลิบทีเดียวจอมพลานหันมาทางหญิงสาวผู้ตลอดเวลามองเหมือนจะรอความเห็นอยู่ถ้าเราตามถูกทางก่อนค่ำของวันนี้ถึงแม้จะยังไม่ถึงตัวกันแต่ควรจะห่างกันในระยะที่เสียงปืนลั่นได้ยินคุณชายมาพักอยู่ที่นี่สามสี่วันมาแล้ว เพิ่งจะเคลื่อนย้ายไปเมื่อเช้าวานนี้เองเราพอจะสรุปได้แน่นอนแล้วจากหลักฐานที่เห็นพักอยู่ถึงสามสี่วันทีเดียวเหรอหล่อนร้องเสียงสูงอย่างแปลกใจรอยมันบอกเช่นนั้นนะครับทาไมพี่ใหญ่ถึงจะต้องพักแรมที่นี่นานถึงอย่างนั้นด้วยเขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่ร้อนใจจะต้องเร่งออกเดินทางติดตามพวกเราที่เขาไม่รู้ข่าวหรอกเหรอ แน่นอนครับคุณชายจะต้องร้อนใจไม่ผิดอะไรกับเรานี่แหละครับแต่เนื่องมาจากฝ่ายของคุณชายมีสัมภาระและจำนวนคนอยู่กันพร้อมเพรียงมากที่สุดเปรียบเหมือนทัพหลวงสัมภาระเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทวงหนักแลวก็เกะก ะ, กะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกติดตามค้นหาเราโดยไม่รู้จุดหมายแน่นอนเช่นนี้ส่วนจะสลละทิ้งซะก็เป็นไปไม่ได้ ผมคิดว่าคุณชายคงสังเกตเห็นชยภูมิตอนนี้เหมาะดีจึงวางแคมป์ชั่วคราวเป็นสถานีกลางขึ้นและกระจายกันออกสำรวจค้นหาพวกเราโดยแยกกันออกไปในรัศมีที่สามารถจะกลับมาชุมนุมกันที่นี่ได้แต่ที่เคลื่อนย้ายไปหมดทั้งกองก็คงเป็นพระภัยหลังจากพยายามค้นหาร่องรอยของเราแล้วไม่ได้ผลจึงย้ายไปตั้งสถานีอำนวยการใหม่การจาเป็นจะต้องมีสถานีกลาง สำหรับพักของทําให้ทั้งหกคนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกระยะอย่างเป็นอิสระเหมือนฝ่ายเราดารินพยักหน้าอย่างเห็นด้วยถ้างั้นเราก็มีโอกาสที่จะตามเขาได้ทันโดยเร็วแล้วละ่ะแน่นอนครับถ้าเราตามไม่ผิดทางผมเชื่อว่าขณะนี้ฝ่ายคุณชายคงจะไปตั้งแคมป์เป็นการชั่วคราวขึ้นที่ใดที่หนึ่งไม่ห่างจากที่นี่ออกไปมากนะัก และคงยังไม่เคลื่อนย้ายไปเร็วนักสถานีอํานวยการนี้จะเคลื่อนย้ายไปเป็นระยะระยะและเปิดโอกาสให้เราตามทันได้ดีไมด่ดีระหว่างทางก่อนค่นํานี่เราอาจเดินปาหน้าหรือสวนกับพวกเราคนใดคนหนึ่งที่ทางสถานีอํานวยการกลางส่งออกประเวณค้นหาก็ได้แล้วคุณลังเลอะไรอยู่อีกล่ะจอมพรานเบนสายตาไปจับอยู่ทางด่านขนาดเล็กนั้นอีกครั้ง ผมไม่แน่ใจนะครับว่าพวกนั้นจะไปทางนี้หรือเปล่าแต่รอยช้างขโขลงเดินสวนลงมาทางนี้เมื่อตอนเช้ารอยช้างปรากฏขึ้นในขณะที่พื้นดินเปียกแฉะเพราะฝนก่อนแล้วส่วนพวกเราสมมติว่าจะเดินไปทางนี้จริงก็เป็นการเดินไปก่อนฝนตกผมกลัวว่าเราจะไม่พบร่องรอยอะไรเลยคนหกคนพร้อมทั้งสัมภาระอันหนักอึ้ง ไปกันอย่างกองคาราวานคงจะไปไม่ได้เร็วนอกลับแล้วเชื่อว่าไปได้ไม่ไกลด้วยคุณก็เชื่ออย่างนั้นไม่ใช่เหรอดารินว่าถูกแล้วครับปัญหามันมีอยู่เพียงว่าเราต้องใคร่ควรวญให้รอบคอบและค้นหาทิศทางไปของพวกเขาให้ถูกต้องแม่นยาที่สุดมิฉะนั้นมันจะเสียเวลาไปโดยใช่เหตุนะครับผมไม่ต้องการให้ผิดพลาดไปเลยแม้แต่องศาเดียว ตำแหน่งนี้นะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญยิ่งของการติดตามครับหญิงสาวหันกลับไปมองยังแนวฝั่งห้วยภายใต้ปกคลุมของเงาป่าฝั่งตรงข้ามอีกครั้งเดิมทีพวกเขามากันจากฝั่งโน้นไม่ใช่เลอตามการสันนิษฐานของบุญคำแล้วก็ขึ้นมาวางแคมป์กันบนฝั่งนี้คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะย้อนกลับไปทางเดิม แล้วด้านนี้ก็มีทางด่านน่าจะให้เดินไปได้โดยสะดวกทางเดียวนี่เท่านั้นก็ไม่แน่นานายหญิงสภาพของป่าฝั่งนี้นะ่ะมันพิกลอยู่นะ ม, มันไม่รกทึบเกินไปนะักบุญคำขัดเบาๆพลางชี้มือไปยังเนินสูงๆต่ำๆรอบด้านซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้ามอสเราก็ขึงปูไว้ด้วยพื้นพรมสีเขียวมีต้นสนขึ้นเรียงรายอยู่เป็นระยะ กระดุดจะเป็นป่าวณอุทยานที่มีใครมาดูแลปลูกไว้เนินอันสลับซับซ้อนสูงสูงต่ำาๆเหล่านั้นอยู่เหนือแนวละมาะไม้ที่ล้อมรอบอยู่ในขณะ น, นี้ขึ้นไปไม่มากนักมันเป็นภูมิประเทศที่งามน่ารื่นรมที่สุดเหนือกว่าสภาพป่าทุกแห่งที่เคยผ่านกันมาแล้วอุดมไปด้วยไม้ดอกและไม้ใบสีสันเจิดจ้าสวยสุดงดงามยิ่ง พวกเอื้องและกล้วยไม้พันแปลกๆเกาะอยู่ตามคาคบและซอกหินแข่งกันชูช่อลานตาไปหมด <c oughs> หนายใหญ่กับพวกนั่นอาจตัดละเมอเดินขึ้นไปตามสันเนินก็ได้แล้วถ้าเดินตามเนินนั่นหุนทางไปมันก็มีอยู่รอบด้านเดากันไม่ถูกหรอกก่อนที่จะขึ้นไปถึงเนินเหล่านั้นได้ ก็ต้องไต่ทางตัดละเมาะปัดละเ ม, มะขึ้นไปหาคนเหล่านั้นไม่ได้เดินกันตัวเปล่าแต่มีสัมภาระหนักที่จะต้องแบกหามไปด้วยถ้าเป็นใจของบุญคําจะเลือกเดินไปทางที่สะดวกหรือจะแบกของไต่เนินขึ้นไปละ่ะนายใหญ่จะคิดยังไงบุญคําไม่รู้แต่ถ้าเป็นบุญคําบุญคําจะเลือกเดินไปตามทางด่านนี้ก่อนนายใหญ่ก็น่าจะคิดอย่างเดียวกับบุญคํานั่นแหละ หล่อนบอกแล้วหันมาทางจอมพรานคุณควรจะเป็นคนตัดสินใจนะรพินเอาละครับเราจะเลือกเดินไปทางด่านนี้ก่อนถึงแม้จะสังเกตอะไรไม่ได้ในระยะต้นๆนี่เราก็อาจได้ร่องรอยระหว่างทางภายหลังก็ได้คนหกคนพร้อมทั้งหาดของสัมภาระก็น่าจะทิ้งอะไรไว้หเห็นได้บ้างไม่มากก็น้อยดาริงยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดู เต็เมไปด้วย mana กำลังใจที่เกิดขึ้นอย่างมากมายบ่ายสองโมงตรงเรามีเวลาที่จะเดินได้อีกสี่ชั่วโมงเต็มๆย้ายเสีเวลาไปอีกเลยแม่เน็แต่นาทีเดียวเดินทางกันเถอะรัพินเ้ามองหนะ้าขยับปากจะเ อ, อ่ยถามอะไรออกมาอีกแต่แล้วก็ไม่ถามเพียงแต่แววตาเท่านั้นมันแทนคําพูดให้หลอนเข้าใจดารินฝืนยิน้มตาเป็นประกายวาว ไม่ต้องกังวลฉันยังไปได้ไหวนะคุณหญิงยังไม่ได้ไม่มีอะไรตกถึงทองเลยนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้โธ่ฉันคนเดียวเมื่อไรคุณก็บุญคำก็เหมือนกันแหละเรื่องเล็กนะวันนี้ถ้าไม่พบพี่ใหญ่ก็ไม่ต้องกินก็นละเอางั้นเหรอแน่นอนอ่ะงั้นก็เดี อ, ออกเดินทางดีครับ สามคนเคลื่อนที่โดยไม่ยอมเสียเวลาอีกเลยแม้แต่นิดหนึ่งความหิวโหยอ่อนเพลียดูเหมือนจะถูกลืมเช้าหมดสิ้นหนทางนั้นซอกซอนไปในป่าละเหมาะระหว่างสองฝากเนินภูเขาเตีย้ยตซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้าและต้นสนรอยช้างขลุงหักไม้และเหยียบย่ำผ่านลงมาเป็นเถือกผ่านปรงขนาดใหญ่ที่มีรอยกวางและวัวลงกินเมื่อคือนที่ผ่านมา อย่างสับสนมากมายแล้วเลาะเลียบไปตามไหลเนินสูงๆต่ำๆที่อุดมไปด้วยสนสามใบก็ว่าอบเชยและต้นชาพื้นเบื้องล่างแทรกสลับด้วยหญ้ามอสกูและเฟิร์นแดดในยามบ่ายสาบอารามเรืองอาภูมิประเทศอันสวยงามรอบด้านชวนให้ตื่นตาตื่นใจไปหมดแต่อากาศเย็นฉ่ำเดินสบายผิดกับตอนที่มุดกันมา ตามลำห้วยตลอดครึ่งวันที่เดียวในที่สุดก็แยกจากรอยช้างขลงุงเมื่อทางไตาทางขึ้นมาสู่ที่ราบสูงตอนหนึ่งในระหว่างภูเขาหญ้าสองลูกที่ทอดเนินลาดลงมาบัรจบกันรอยช้างผ่านไปในระหว่างตีนเขานั้นมุ่งลงไปสู่ป่าสนในหุบทึบตำแหน่งนี้เองกระพินก็พบลอกกระสุนลูกซองใหม่ๆอีกนัดหนึ่ง กลิ่งอยู่ในกอหญ้าแตกระบตดสีแดงแสดของมันตัดกับความเขียวขจีของใบหญ้าทำให้สะดุดตาเห็นชัดอันเนื่องจากปลอกลูกซองนั่นเองทำให้ทั้งหมดสามารถค้นหาร่องรอยของคณะที่ล่วงหน้ามาก่อนได้อีกครั้งภายหลังจากที่ได้พบครั้งสุดท้ายตรงที่วางแคมป์ริมห้ดสิ่งที่พบใหม่ก่อความปิติยินดีให้แก่บุคคลทั้ง3เป็นอย่างยิ่ง เราตามมาถูกทางแล้วราพินดารินพึมพำออกมาอย่างลิงโลดภายหลังจากช่วยกันสังเกตอยู่ครู่เดียวก็เห็นรอยของคณะเชตฐท้าแยกตัดขึ้นเนินเขาด้านเหนือจากรอยมีดที่ตัดลิบกิ่งสนไวต่างเร่งฝีเท้ากันขึ้นอีกโดยไม่เห็นกันเหน็ดเหนื่อยหนทางนั้นนำผ่านไปตามเนินเขาเตี้ยตี้ลูกแล้วลูกเล่าแล้วก็ลงไปสู่บริเวณแอ่งกว้างใหญ่ ลักษณะเหมือนกระทะเป็นทุ่งหญ้าสลับไปกับป่าหินและละเมาะเป็นย่อมย่อมเวลาจะผ่านไปสักเท่าใดไม่ทราบได้ทั้งสามมารู้สึกตัวยืนพิจารณาภูมิประเทศเพื่อหาทางอีกครั้งก็ต่อเมื่อตะวันลับเหลี่ยมเขาเบื้องหลังไปแล้วอากาศเริ่มมืดสลัวและหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว เอจะผิดทางจะตอนลงเขาเมอตะ ก, กี้กรบมังดารินเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกระซิบรู้สึกเยือกเย็นวางเวงใจยังไงบอกไม่ถูกรู้ว่าจะย้อนกลับขึ้นไปตรงเชิงเขานั่นหาทางดูใหม่ดีไหมบุญคำเสนอปาก็กวาดลอกแหลกไปรอบๆและพิมพ์เม็มปะใช้นิ้วเสยปีกมัวขึ้นเขายังไม่เอ่ยคาใดทั้งสิ้ขนขณะนั้นเอง ตาลุกพลงขยับตัววูบดารินสังเกตเห็นอาการเข้าพอดีขยับไรเฟิลอะไรหล่นกระซิบเบาที่สุดคล้ายคคนครับหลแบแวบเข้าในตาดิบด้านขวามือนั่นดารินใจเต้นแรงประสาททุกส่วนเขมิงเกลียวเครียดขึ้นในทันทีนั้นหันขวับไปทางที่เขาจ้องอยู่ในขณะนี้ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาของโขดหินสูงสูงต่ำตำที่งอบดารดาทั่วไป บุญคำก็ย่องกริบเข้ามาสมทบตามมาอย่าพยายามแยกไปทางไหนทั้งสิ้นพรานใหญ่กระซิบสั่งแล้วจรดฝีเท้าแผวเบาเดินเลาะลัดไปตามหมู่โขดหินเหล่านั้น ตรงไปยังตำแหน่งที่เขาเห็นเงาดำๆผ่านหางตาไปเมื่อครู่นี้ด้วยลมหายใจที่สะกดกลั้เนเงียบกริบไม่มีเสียงใดแววมาให้กระทบโสดเลยทั้งสิน้นนอกจากเสียงหัวใจตนเองเต้นระทึกอยู่ในอกและเสียงลมที่ลั่นกริงออกช่องหูเท่านั้นดารินกับบุญคำถือไรเฟิลในท่าเตรียมพร้อมนิ้วแตะรออยู่ที่ไกปากกระบอกเสยขึ้น45องศา ย่องตามหลังมาเยื้องกันคนละมุมผ่านหินก้อนใหญ่รูปสูงชะลูดราวกับเสาหลักที่ใครนำมาปักไว้แล้วแฝงกายไปตามแนวทางเดินระหว่างหมู่หินเหล่านั้นครูใหญ่ของการที่ไม่ได้ปริปาคคำใดแก่กันเลยทั้งสามก็พบตนเองกาลังเดินอย่างแผ่วเบาลงไปบนขั้นหินที่ทอดลงไปสู่เบื้องต่ำมันเป็นศีาลาแรงที่ส ก, กัดไว้ทั้งแท่ เบื้องบนก็เป็นกำแพงที่ก่อไว้ด้วยหินในลักษณะเดียวกันบกคลุมไปด้วยตะไคร่และเผาวันดารินผู้จ้องตามอยู่เบื้องหลังสกิดหลังจอมพรานโดยแรงและบุบยบใบเชียร์เขาดูลักษณะของกำแพงซึ่งในขณะ น, นี้ทั้งสามคนหลวมตัวผ่านเข้ามาโดยไม่ทันรู้สึกตัวล่วงหน้าดวงตาของหล่อนเบิกโพล์สีหน้าเต็เมไปด้วยความตื่นเต้นอัศจรรย์ใจสุดที่จะพันนาได้ ระพินพยักหน้ารับเป็นความหมายให้ทราบว่าเขาเองก็ค้นพบเข้ากับสิ่งที่แวดล้อมอยู่นั้นแล้วเช่นกันแล้วชี้ให้หลอนแ ง, งนขึ้นไปดูซุ้มเสาหินมะฮือมาที่กำลังย่องผ่านกันอยู่ในขณะ น, นี้มันเป็นส่วนใบหน้าของเทวรูปใหญ่โตมาหูลานขนาดยี่สิบเท่าของส่วนสัตว์คนจริงสลักติดอยู่บนซุ้มประตูนั้นสงของใบหน้าเทวรูป เป็นศิลปรกรรมของชนเผ่ามอนขเขมรลักษณะเดียวกับที่แกะสลักอยู่ในปราสาทนครวัดไม่มีผิดบุญคำซึ่งตกอยู่ในอาการของคนบ้ายเช่นเดียวกันก็อ้าปากพังงาบพัางงาบชีสกิดให้ทั้งสองมองไปยังแนวเสาหินเรียงรายเบื้องหน้าของทางที่ลาดต่ำลงไปสู่ห้องโถงเบื้องล่างมันเป็นเสาทรงกลมทาด้วยหินอ่อนทั้งแท่ง มีรูปสิงโตหินและช้างยืนประจำอยู่ริมเสาเหล่านั้นลักษณะของมันคล้ายๆจะเป็นทางเข้าท้องพระโรงหรือมิฉะนั้นก็ราชฐานชั้นในของกษัตริย์ในอดีตการดารินขยับตัวแต่พรานใหญ่เนีวยวไหลไว้ทำสัญญาให้คอยเดินตามหลังตนเองกวาดสายตาอย่างระแวดระวังเต็มที่ไปรอบๆแลนจะรดฝีเท้าย่องคืบหน้าเข้าไป ไม่เกินสิบเก้าที่บุคคลทั้งสามบรรลุถึงระดับพื้นเบื้องล่างและเลี้ยวมุมเข้าไปสู่ห้องโถงอันกว้างใหญ่ท่ามกลางเสาหินที่สลกกักหักพังล้มกองเกะกะอยู่กับพื้นต่างก็ยืนตัวแข็งเหมือนถูกสะกดนิ่งอยู่กับที่ไปชั่วขณะในภาพที่ปรากฏกับคลองจักสุกลางห้องซึ่งมีเ้าโครงหลักฐานเหลือให้เห็นได้ว่าครั้งหนึ่ง มันเคยเป็นห้องอันสวยสดงดงามประการตาที่สุดเท่าที่ฝีมือของมนุษย์จะพึงสร้างขึ้นมาได้นั้นเป็นแท่นหินอ่อนประดิษฐ์สถานเด่นอยู่หินสีดําสนิทประหนึ่งนินสูงในระดับเอวและเหนือแท่นหินอันงดงามนั้นร่างของสตรีนางหนึ่งสนิทนิ่งนิทราเยียดยาวอยู่บนนั้นภายใต้ครอบอันใสโปร่งตา ราวกับหยดเคลือบของน้ำค้างที่หยาดลงมาปกคลุมไว้ฉะนั้นจบตอนจอมผีดิบมันไร